อาจารย์ครับการรักษาการครับผม เ, เจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เปลี่ยนที่แล้วใช่ครับอาจารย์วันนี้มาพาลูกมาสอบอยู่ที่กรุงเทพครับอาจารย์เดี๋ยวพวกนี้ก็กลับแล้วครับผ ม, อ, มอาจารย์วันนี้คนไปฟังทำรวมกันพันกว่าคนอลยใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณพันใช่ใช่ครับผมนที่<น>ารรแค่ 130, 130, 130, ้อยร้อยสามสิบร้อาสิบมาหน้า ว่าห้าสิบคนอืมว่าห้าสิบคนแน่นสักแน่นแล้วใช่ครับพรอาจารย์ใช่ไหมครับหรือยังพอมีพื้นที่ั้ยก็ยังมีพอพื้นที่อยู่ช่วงวันวันเข้าพัราวันเข้าพัาน้องเกับสามรอยใช่เพาะมนั่งตามตามตามพื้นพื้นยาพื้นอะไรที่สมายว่างงได้ก็นั่งไปครับเก้าอี้ไม่มีเลยไม่มีที่จัดให้นันอกจากมีที่ ซาลาเล็กๆสองหลังไม่สลับเผื่อฝนตกได้หลบแดดหลบฝนได้ไดครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้จากครั้งก่อนเรื่องบัวพ้นน้ําครับวันนี้ตรงข้ามครับอาจารย์จากฟั่ง <c oughs> เรื่องเรื่องอบายภูมิบ้างก็จริงๆไม่มีใครอยากไปแต่ว่าก็พากันเดินไป <c oughs> ผมก็อยากรู้ทางหลบเหมือนกันครับพระอาจารย์ครับขอโอกาอสอาจารย์เมตตาสอนเรื่องอบายภูมิครับผมตัวนี้อย่าเรียกว่าเป็นคนง่อคนไม่ฉลาด คนไม่รู้กฎแห่งกรรมเรื่องคนปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรมมีวิชาทิ่ฐิเอาคิดว่าร่างกายมีตอนมีร่างกายเป็นส่วนเดียวพอร่างกายตายไปแล้วก็จบไม่มีใครไปรับผลของความความผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม เมื่อไม่มีร่างกายแนละ้วเขาก็ไม่ติดตามคดีเลยทาํทาทั้งโลกถ้าเกิดคุณหมอหลบนีหมอตายไปเขาก็ไม่เอาจาบับศพคุณไปขังมาเขาเลยคิดว่าทําบาปแล้วก็ไม่มีผลตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วก็เลยเขาจะไม่กลัวบาปไม่มีเหตุหรืออุตตรบาปไม่มีความน่านอายบาป อย่าพูดที่ทำบาปนี่ผลก็คือทางด้านจิตใจนะไม่ได้พูดถึงทางด้านร่างกายร่างกายนี่มันมันไม่แน่นอนบางทีก็หลบได้นี้ได้บัทงทีก็สามารถเอ่อซื้อซื้ออะไรต่างๆเพื่อให้เพิกคดีได้ไทําน้ามือยังถ้าเราไปดูทางร่างกายเราก็อาจจะลบ อาจจะไม่เชื่อกดแห่งกรเมื่อที่มักจะมีคนพูดว่าทําดีไม่ได้ดีทํำชั่วได้ดีมีถงไปแล้วคนทำชื่อมักจะรวยเร็วกว่าเป็นใหญ่เป็นตได้ง่ายกว่าแต่คนที่ทําดีคนทำคนดีบางทีนานแสนนานกว่าแบบจะได้เงินสักขั้นหนึ่งเงนินจะได้อะไรทั้งอย่างมันบางทีใช้เวลา นานังนั้นคนที่มีกิเลสมีความโลภอยากได้เร็วๆก็จะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องของทําการทําความดีอทำเชื่อทําขอให้ทําอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่ตน้นต้องตายนะสิ่งที่เห็นพอนี้ก็ขณะที่มีชีวิตอยู่น้อยามากก็ติดขอ้องติดตามถ้าถูกจับถ้าห น, นีได้ก็ไม่ต้องถูก เข้าคุก เ, เ, เข้าตลาดไปอันนี้เกิด่ากเมชาทิฏฐิที่ไม่รู้ว่าชีวิตของวันนี้มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายแล้วมีจิตใจผู้ที่กระทาบาปจริงๆไม่บาปหรือบุญนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่กระทำเป็นคือจิตใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่เขาทําทําร้ายผู้อื่นนี้ เขาอาศัยอาวุธเ ม, ม็ดเลื่อดเปิลเวลาทําเสร็จแล้วนี่เขาไม่จับมีดเลือเปิลไปลองทษเพราะมีดเลือดปิลนี่เป็นเพียงเครื่องมือเขาจับผู้กระทำนี่ผู้กระทำที่แท้ จ, จริงก็ไม่ใช่ร่างกายแต่เขาไม่เห็นตัวกระทําคือใจเพราะใจเป็นเป็ น, ปนมนุษย์เล่าผลเป็นไม่มีรูปน้ำหน้าตาแต่ติดอยู่กับร่างกายเขาก็เลย จับน่างกายแทนซึ่งก็ท่านเท่ากับได้จับจับใจไปด้วยเพราะน่างกายไปไหนใจก็ต้องไปด้วยจับน่างกายไปติดคุกใจก็ติดคุกด้วยเอาไปบาปชีวิตใจก็จะคิดว่าตนเองถูกบาหารด้วยแต่ความจริงแล้วใจเป็นผู้สั่งการให้กระทําบุญหรือทําบาปน่างกายเป็นเพียงเครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่ใจใช้ในการทําบุญและทําบาปเน้นตามทางกฎแห่งกรรมนี้ร่างกายไม่ไม่ต้องรับผลบุญหรือผลบาปผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปคือใจรับด้วยในการรู้สึกสุขหรือทุกข์เครียดหรือไม่เครียดอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นเป็นผลทางจิตใจเป็นหลักเรื่องของกฎแห่งกรรม เวลาทำดีใจก็เย็นใจก็สงบมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความปลื้มใจมีความภูมิใจเวลาทำบาปก็ตงกงานข้ามมีความเครียดมีความวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรทั้งนองนนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการก็ทำบาปเรื่อ บ, บุญของใจนมบุญ แล้วผู้ที่รับผลของบนญของบาป ก, ก็คือใจเนี่ยร่างกายนี้ไม่รู้อีหน่อยนี่ยเขาเป็นเหมือนเปิดเรือมีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีความรู้สึกไม่คิดแต่อย่างใดผู้ที่มีความรู้สึกไม่คิดก็คือใจใจเนี่นนเป็นผู้ที่หวาดม่ตกกังวลหวาดกลไปต่างๆนานาเวลาทำบาปแล้วเวลาตายไปนี่ ก็จะต้องไปใช้ผลรับผลของบาปที่ทำไว้มันไม่หมดนะเวะาที่เป็นมนุษย์อยู่นี้เป็นแต่รับผลเพียงเล็กน้อ ย, อยที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดเท่านี้เอเวลาทำบาป ก, ก็จะมีความหวาดกลัววิตกกังวลแต่มันยังเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มันยังไม่ได้แสดงผล มันจะแสดงผลต่อเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายแล้วแล้วใจก็จะอยู่ในโลกที่ตามลำพังไม่มีอะไรมามามาเชื่อมกับใจไม่กับตอนที่มีร่างกายตอนที่มีร่างกายใจไม่สบายบางทีก็ยังงแก้ความไม่สบายใจได้ด้วยกันถ้าเรามีเงิน้องก็ไปเที่ยวกันไปทําอะไรกันว่าอาใัยร่างกาย เป็นการกลบระงับความเครียดความทุกข์จากการกระทาผิดไว้ชอบครรมมันก็ไม่สามารถลบล้างวิบากของกรรมที่ทําส่วนใหญ่ได้เป็นเพียงแต่เป็นการไม่กลบกันไว้เเวลาทําผิดแล้วไม่สบายใจก็มีเงินมีท่อก็ไปเที่ยวไปซื้อขาซื้อของโ่นไปทําอะไรต่าง ว่ามันเรื่องเรื่องที่ทําให้เราทุกข์กันเครียดกันชั่วคราวแต่พอกลับมามันก็เหมือนเดิมว่าเครียดที่ต่อกลางวัเหมือนเดิมเพราะคดีมันยังไม่ได้ถูก อ, อถูกตัดสินถูกอะไรพิพากษามันก็ยังคาลาคาวซ้อยู่ในใจ น, ะนั่นเองเวลาที่ตายไปความรู้สึกที่เครียดที่ทุกข์นี่ยมันจะแสดงผลได้อย่างเต็มที่แล้ ทีนี้เราไม่สามารถเอาร่างกายมาใช้เพื่อไปหาความสุขต่างๆมากรอแบบชั่วคราวความสุขจากรูกเสียงเกียรรถก็จะไม่มีแล้วเัราะนั้นวิบากกรรมมันก็จะแสดงผลเต็มเต็มเต็มกำลังของมันการแสดงผลนี้มันจะแสดงในลัขษณะแบบทคนเมื่อเวลาคนตายคนตายแล้วเราก็จะเข้าสู่สภาพของ โลกของความฝันนะบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายถ้าเรามีทั้งสองอย่างมันแสดงว่าในใจเรานีนมีทั้งบุญและมีทั้งบาปที่เราทํามันจึงบางทีผัดกันแสดงผลช่วงไหนบุญนี้กําลังมากกว่าก็จะส่งผลให้เรานอนหลับแล้วฝันดีช่วงไหนที่บาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะส่งผลให้เราฝันร้าย พยาบานี้มันมีอยู่สี่สสถานะแล้วกันมีสถานะหนึ่งที่เรียกว่าเดราชาเ น, นี่ยเป็นสถานะที่มีร่างกายด้วยเหมือนร่างกายของมนุษย์แต่ต้องอยู่แบบเดราชาเรื่งเราก็รู้ว่าเดราชานกับมนุษย์นี่ความสุขความทุกข์นี่มันต่างกันความทุกข์การของการเป็นเดราชา น, นี่มันย่อมมีมากกว่าความทุกข์ของการเป็นมนุษย์ เพราะแล้วเดรัจฉานนี้เขาจะอยู่ในโลกของการกัดกินกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นรังแกสัตว์น้อยก็จะต้องคอยมีความหวาดระแวงหาวาดกลัวคอยป้องกันภัยที่จะมาประชิด ก, กับตนเองเพราะถึงเรียกว่าเป็นทุ K T กขติเพราะของอบายนี้เป็นเป็นพราของทุกขติก็คือ เป็นพบพที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขพนระอาจารย์ก็มีบ้างวาความสุขเวลาที่เขาได้รับประทานอาหารเวลาเขาได้กินอะไรเวลาเขาได้เสกกลางเวลาเขาได้หลับนอนแต่เวลาตื่นนี่เขาจะต้องมีความนระมัดระวังในความหวาดกลัวภัยต่างๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสถานภาหนึ่งของจิตที่ทำบาทําไมถึงมีสี่สถานภาพคือทําไมต้องมี เดรัจฉ า, านมีเปลกมีอสุรกายแล้วก็มีนรกเพราะเหตุของการทําบาปนี้มีอยู่สี่เรียกว่าอคติสี่ด้วยความรักด้วยความโลภความชังด้วยความโกรธความกลัวแล้วก็ความหลงที่เป็นสาเหตุต่าดานให้จิต ท, ทําบาปกันถ้าทําบาปโดยไม่รู้ว่าว่า เป็นเป็นสิ่งที่มีโทษตามมาเช่นเราทําบาปเพราะเราคิดว่าเราต้องเลี้ยงชีพเราอย่างสัตว์เลรอดฉาสนี่เขาก็จะกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยของเขาเป็นอาหารเพื่อเลี้ยงชีพของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําบาปเขาคิดว่ามั น, เ ป, น เ, มเป็นการเลี้ยงชีพหรือเป็นการป้องกันตัวป้องกันภัยของเา อันนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความหลงคือความไม่รู้กดแห่งกรรมไม่รู้่าทำบาปแล้วจะส่งผลให้จิตใจของเขาร้อนร น, นทุกข์ถ้าทำบาปด้วยความหลงหรือความไม่รู้ก็จะไปเกิดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ในราชาเพราะสัตว์ในราชาเนี่เขาไม่รู้กดแห่งกรรมก็ไม่รู้ผิดถูกดีช่วยเขารู้แต่ว่าต้องรักษาชีวิตเขาให้อยู่รอด ด้วยการกัดกินสัตว์อื่นมาเป็นอาหารอันนี้ก็ที่ไปของผู้ที่ทําบาปด้วยด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เช่นใครอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ยกตัวอย่างพวกที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัชีวิตต่างๆชาวประมงเอ่ยชาวอะไรเอ่ยก็ตามที่ที่ไปเอาชีวิตของผู้อื่นมาเป็น เป็นสินค้าเมื่อเอาไปขายแล้วก็จะได้มีไรายได้มามาเลี้ยงชีวิตของตนเองอันนี้ก็ไม่ต่างกับลูกสัตว์เดรัจฉานนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นบาถ้าเขารู้เขาก็คงไม่กล้าทำํำถ้ารู้ว่าทําแล้วจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเขาไม่เชื่อถึงแม้จะมีคนบอกเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เห็นว่าผู้ที่จะไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นใครกัะนแะน่ เขาก็เห็นเพียงแต่ร่างกายเห็นว่าร่างกายตายแล้วก็จบไม่มีผู้ที่จะไปรับผลต่อยกเว้นพวกที่มีความเชื่อเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเชื่อคําสอนที่ถ่ายทอดกันมาอาจจะเป็นอาจจะเป็นของศาสนาอื่นก็ได้เรื่องของดวงวิญญาณ น, นี้ศาสนาอื่นก็มีการสอนกันว่าร่างกายตายไปแล้วดวงวิญ ญ, ญาณไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ดวงวิญญาณก็จะไปสวรรค์หรือไปนรกไปอะไรอันนี้ถ้ามีความเชื่ออย่างนี้ก็จะไม่กล้าทําบาปจะทํามาหากินโดยอาชีพที่สุจริตคือจะไม่ไปทําอาชีพที่เบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นอย่างมนุษย์บางคนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าทําอาชีพแบบนั้นไม่กล้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่มนุษย์บางคนเขาก็ไม่รู้สึก กังวลมิต ก, กับเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ทําได้อย่างสบายอ่าเป็ดค่าไก่ค่าวัวค่าควายมาเป็นอาหารเนื้อ ม, มาขายพวกนี้แหะที่ตายไปใจก็จะนั่งไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานอยู่แบบค่าสัตว์ตัดชีวิตค่าผู้อื่นเพื่อเ ล, ง, เลงชีพให้กับตนเอง ในอบายภูมิสี่นี้มีเพียงทบเดียวเท่านั้นที่ที่มีร่างกายคือเดรัจฉานส่วนอีกสามภูมิคือเปรตอสุรกายและนรกนี้ไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณนวนๆดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยเหตุต่างๆเช่นเปรตนี้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ด้วยความโลภด้วยความหิวโหยเพราะเวลาที่มีชีวิตอยู่นี้ทำบาลด้วยความโลภ ทำทั้งที่มีพอมีพอกินแต่อยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากร่าอยากรวยมีความโลภอยากได้ของมากๆอยากได้คิดว่ามีความสุขมากถ้ามีเงินมากมีตําแหน่งสูงมีอะไรแล้วแต่ลาภยศและเสริญสุขมีความโลภในราภและเสริญสุขแล้วก็ดําเนินการหามาด้วยการกระทําบา ถ้าโลกแล้วหามาโดยไม่ไม่ได้กระทําบาปนี่ไม่เป็นเปะต น, นะก็ยังเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์ที่มีความโลภน้อมากกว่าคนอื่นะแต่ถ้าโลกแล้วไปทําบาปนี่ก็จะทําให้ดวงวิญญาณนี้เริ่มค่อยแปลงจากมนุษย์ไปเป็นเปะแล้วเวตายไปนี่ดวงวิญญาณก็จะอยู่ในสภาพของความฝันที่มีแต่เรื่องหิวโหยต่งตางๆ เรื่องขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่ขาดแคนที่อยู่อาศาัยขาดแคลนที่พักขาดแคลนอะไรต่างๆหิวโหยขาดแคลนเสื้อผ้าขาดแคลนอาหารอะไรต่างๆอย่างพวกนี้จะเป็นพวกที่จะมาขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บอกตอนนี้เดือดร้านไม่มีอะไรเลยช่วยส่งบุญไปให้หน่อยเพราะบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่ใช้ในโลกที่ จะได้เอาบุญนี้ไปซื้ออาหารซื้อที่ก็าอดอยากขาดแคลนาประทัาชีวิตของเขามาทำจิตใจของเขาไปวันวันหนึ่งอนี้คือผู้ที่ทำบากด้วยความโลภอย่นงชงที่คอรับชั้นทั้งหลายเนีทำบาบาปอยากได้เงินเยอะๆเงินเดือนไม่พอใช้อยากจะอยู่แบบรูล้ระาก็เลยต้องมีการทำทาผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรม โกหกหลอกลวงชอบกองด้วยวิธีการต่างๆบางทีก็ขายตำแหน่งให้มีตำแหน่งเป็นผู้นักษาเป็นนำารวงหรือเป็นอายการานี่ถ้าคนที่เขาผิดเขาอยากจะไม่อยากจะติดคุกติดตารานก็อาจจะจ่ายเงินให้คลิกคดีให้อย่างี้อันนี้ก็เป็นการไม่ซื่อตรงไม่ไม่ซื่อสัารต่อ ต่อกระบวนการยุติธรรมต่อหลักความเป็นจริงคนผิดแต่ไปเชี่ยวไม่ผิดอย่างนี้เ่ย ไ, ไปช่วยคนผิดมาให้อาจจะมีงำนานทางกฎหมายให้หลบให้หนีได้ไม่ต้องมารับใช้โทษอะไรก็จะได้เงินเป็นผลตอบแทนใะ่ไนมพวกนี้คือพวกที่เราาือกรอ้าวไหมค้าที่กลมด้วยวิธีการต่างๆกกงด้วย ตาช่างตาช่างทําให้ตาช่างมันโกงของที่ช่างหนึ่งกิโลแต่น้ําหนักจริงไม่ถึงกิโลอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําทําบาปด้วยความโลภอยากได้กําไรมากๆหรือหลอกลวงว่าเ อ, อ้อของนี้ซื้อมาราคานั้นราคานี้แต่ความจริงไม่ใช่เป็นราคานั้นก็ได้หลอยคนซื้อเขาเห็นใจเพื่อเขจะได้ซื้อสินค้าของตนในราคาที่ตนเองต้องการ อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอย่าหาว่าว่ากันนะกันพูดที่ทำอาชีพเหล่านี้หรือถ้าท่านฟังแล้วถนัดจะได้ได้สติทันก้อาจจะเปลี่ยนก็ได้หรือพวกปล่อยเงินกู้แบบโขดโขดเนี่ยคิดค่าดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีดไถกันคนก็เดือดร้อนเข้ามาเพิ่งเราแต่เราก็ เครับเราให้เขาขพ้่ด้วยวิธีโกมของเราให้เขาต้อง จ, จ่ายดอกเี้มากๆทำมาค่าขายแบบค้ากำไรกินควรเนี่ยอย่างี้ก็เลยว่าไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่สุดจนีฮยอันนี้ก็เป็นเหตุให้เวลาดวงวิญญายิดตายไปดวงวิญญาณนี้จะมีแต่เรื่องหิวโหย พรพวกนี้อยากจะได้มากมากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาแล้วได้คือก็อยากจะได้สได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านได้ไปเท่าไหร่ไม่ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอก็เลยจะต้องไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยความฝันฝันแต่เรื่องที่เรื่องราวแต่เรื่องที่หิวโหยฝันว่าอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากตอกกรรมลําบากไม่มีข้าวกินไม่มีที่อย่อาศัยอะไร น, นีลักษณะของดวงวิญญาณที่ทําบาลด้วยความโลภก็จะไปอยู่ในคติในภพของเปรดส่วนพวกที่ทําบาลด้วยความกลัวกลัวว่าเขาจะโกงเรากลัวเขาจะรังแกเรากลัวเขาจะทำร้ายเราหรือกลัวเขาจะเอาเปรียบเราเราก็เลยไปทําั้งก่อนป้องกันด้วยการป้องกันไม่ให้เขาสามารถมาทําเราได้ด้วยวิธีการทำบาปอย่างใดอย่างหนง อันนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณของอสูรกายดวงวิญญาณแบบนี้เขาเรียกอสูรกายคือจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เนื่องน้าหวาดเสียวหวาดกลัวให้ให้ให้ได้ประสบเห่นนอนฝันว่าไปอยู่ที่หวาดกลัวมีภัยรอบด้านอาจจะไปอยู่ในสอลอนระูมิสงคารามแในเวลามีสงคารามจะต้องหลบหนีโยกย้ายที่ อ, อาศัยอะไรต่าง ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านเช่า อ, อยู่มีภัยรอบดน้นอยอันนี้ก็เรีลักษณะของของดวงวิญญาณที่ทํำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทําเราเราเลทํ า, า, มม า, า, างง่ก่อนกลัวมดกลัวมาแรงัวงงูไหมจะงูปั๊บนี่ส่วนใหญ่จะตีงูงทันทีนะเพนั่นนี่งูยังไม่ได้มันไม่รู่อีหน่อยเนี่ยนะมันแพีแต่มาจ้าเอกับเรามาหลงมาเจอเราเข้า เพางูเขาไม่ได้ต้องการเราเป็นอาหารงูเขาหาอาหารเขาต้หาอาหารจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยมารับประทานแต่พอเราเห็นเ้าเรากลัวเขากลัวเขาจะมากัดเรากลัวเขาจะมาฆ่าเราเราก็เลยฆ่ามันก่อนแต่คนที่เชื่อมกฎแห่งกรรมก็จะไม่ไม่ฆ่าอย่างมากก็จับหรือเรียกเรียกกับมูลนิธิมาช่วยจับงูให้หน่อยแล้วให้ไปปล่อยปล่อยในที่ที่ไม่ไม่ไปสร้างความ เชียร์ให้ให้กับผู้ไปปล่อยตามป่าตามเขาแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อก่อนแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่อ ง, องบุ่นืบาว่าเจอปั๊บก็ต้องข้าทันทีสัตว์ร้ายทุกชนิดถ้าก็เจอเขาจะต้องฆ่าเพื่อป้องกันชีวิตของเขาเขาฆ่าเพราะเขากลัวพออยู่ใกล้งูแล้วถ้าไม่ได้จับขังไลยว่าฆ่าแบบ น, นี้มันไม่สบายใจมันหวัดกลัว อันนี้ก็จะลาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เรื่องราวหวาดกลัวหวาดเสียต่งางๆให้ให้ได้สัมผสัสรับรู้แล้วพวกสุดท้ายก็พวกที่ทํำบาลด้วยความโกรธหรืออาฆาตพยาบามตรใครทําอะไรเรานี่เราต้องรางแขนฟันต่อฟันตาต่อตาเขาเขาด่าเราเราต้องตีเขาเขาตีเราเราต้องฆ่าเขาเอย่างนี้ ตรนี้ก็จะไปนรกเพราะว่าใจเขาจะทุกด้วยความร้อนทุกด้วยความอากคา่าพยาบาทเครียดแค้นต่างๆเราก็เรียกว่าพวกนี้เป็นพวกอย่างเราพวกที่ทําบาปด้วยด้วยความโปรดโปรดใครแล้วก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องล้างแค้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นยมวิญญาณที่หิว ท, ที่ที่มีแต่ความเครียดแค้นมีไฟของความโกรธเกลียด เขาจิตใจตลังนะไปของขามาคาดพยายมามอ่าทั้งเดียนดยวเวลาเราโกรดใจนี่มันกินไม่ได้หนาไม่หลับมันใจมันย้อนนั่นลักษณะของนารกเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานที่นะท่านผู้ฟังทั้ท ง, ง, ทงหลายโปรดเข้าใจไว้เป็นสถานภาพของจิตใจที่เกิดจากการทำบาปโดยวิธีการต่างๆ มีมีสถานภาพเดียวคือดรัจฉานที่ไปมีร่างกายในทุกติสายที่ไปก็คือทาบาปคือผิดสีห้าเนี่ยห้าข้อนี้ความยิงสี่ข้อเท่านั้นสุรานี่ไม่ถือว่าเป็นการทาบาปแต่เป็นผู้ส่งเสริมให้การกระทาบาปง่ายๆขึ้นคนบางทีเวลาจะทาบาปนี่จิตใจถ้ามันยังมี มีความสำนึกผิดถูกหรือมันจะไม่อยากจะทำแต่พอดื่มสุดาเข้าไปย่อมใจแล้วมันความสำนึกผิดถูกมันถูกโซดามันโกบไปครับไม่มีสติพอที่จะมาเน้นถึงความคิดความผิดถูกดีชั่วได้วยได้ยงคนทํำบาปถึงมักจะยิบดื่มสุดาย้อมใจก่อนถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุดาเพรดื่มแล้วมันจะทําให้การกระทําบาป ง, ง่าย ความยากอายความความกลัวบาปมันจะถุกถุกความมึนเมาของสุรานี้ตกไปเลยทาให้กล้าทําบาปแต่บาปจริงๆก็มีเนี้ยฆ่าบาป ท, ที่ลืมนานคือ ก, ก็คือการฆ่าเราลงมาก็คือการรักทรัพย์เราลงมาก็คือกา ร, กก ร, าากการประพูดผิดโดยนีเราลงมาก็คือการพูดปด การประพฤติผิดปรเวณนี่ก็จะส่งให้ไปไปเกิดเป็นเดราชานกันเพราเดรชาชฉานเขก็จะประพฤติผิดประเวณีกันเนี่ยเขผิดลูกผิดเมีผิดสามีเขาไม่รู้ว่าใครเป็นสามีใครเป็นภรรยาเขาไม่มีความที่จะแยกแยะได้เขาเวลาเกิดความอยากที่จะเสพเสพเสพการกับใครท่านใครอยู่ใกล้เขาเขาก็จะเสพกับตัวนั้น แม้ผู้ที่ประพฤติผิดประเพณีไม่ว่าจะเป็นโสเภณีหรือผู้ที่เที่ยวโสเภณีนี้ก็ก็ลักษณะว่าจะเป็นพวกเวรัจานก็เรียกพวกสุนัขเดือนเก้าไปได้ยินไหมสุนัขเดือนเก้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เวลาเดือนเก้าสุนัขมันจะตกเงินเมื่ไงมันจะมันจะหาคู่กันเพราะมันนอนยังไม่ได้ทั้งคืนมันอ้อนกันมันไล่จับขัดกัดกันแยกคู่กัน อันนี้ลักษณะของผู้ที่ประพฤติผิดประเพณีของประพฤติประเพณีของมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมีประเพณีของการร่วมเสด็จกันจะเป็นจะเป็นแบบเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยาแล้วมีการรับผิดชอบต่อผลที่เสด็เพราะว่าเมื่อเสดแล้วมันก็จะต้องมีลูกมีเต้ามีอะไรก็ต้องมีการเลี้ยงดูลูกเต้าเป็นต้องเป็นครอบครัวขึ้นมาแสมัยนี้มนุษย์นันเหมือนใกล้ๆเดรัจฉาะนนะั่นแหะ หนเสพกันแล้วก็เลิกกันยากันเที่ยงกันไปลูกบางทีออกมาก็เที่ให้ปูกยาตายยาอยนางหนึน่งไปเด็กก็เลยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาของสังคมต่อไปพวกขาดการดูแลยอย่างคล้ายคล้ายพกสังคมของเดเรัจฉานขึ้นมาได้ไหม พอจิตใจของมนุษย์นี้เสื่อมจากศีลธรรมนี่ก็จะเข้าสู่ระบบของอบายกันเป็นเยอะเป็นมากขึ้นถ้าไม่มีศาสนามาคอยสั่คอยสอนคอยเบรกนี่ไม่มีใครชอบรักษาศีลเนี่ยว่ามันมันทําให้การอยากทำอะไรตามความอย่างนี่มันยากมันเป็นอุปสรรคถ้าไม่มีศีลที่มันสบายอยากจะฆ้าก็ค่าอยากจะโกงกง็โกงอยากจะทาอะไรก็ทําได้ อันนี้ก็คือเรื่องของอบายภูมิสีสรุปก็คือเกิดจากการทําบาปสี่ข้อนี้หรือห้าข้อก็ได้สุราก็ไม่ควรดื่มเยอะถ้าสัตว์รักทรัพย์เอาพืชผิดเอาไอ้นีก่อหกหลอวงแล้วก็ดื่มสุรายาเราถ้าทําด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานทำด้วยความโลภก็เป็นเปรตทําด้วยความกลัวก็เป็นอาสุรกาย ทำให้ความอาฆาตพยาบาทความโกรธก็จะเป็นวินรกจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ไม่เป็นประเด็นสําคัญเพราะกฎแห่งกรรมนี้ไม่ยุ่งเรืนองใครทั้งนั้นจะเชือ่อไม่เชื่อใครทําปั๊บผลแห่งกรรมมันก็จะเริ่มสแสดงผลทันทีเตามจิตใจตรงนั้นทํามากก็ต้องต้องใช้กรรมมากใช้นานกรรมทำน้อยก็ใช้ใช้กรรมน้อยเหมือนกับนักโทษ ที่เขาขังนีุกอาโทษเบาเขาให้ติดคุกไม่นานอาโทษหนักโอเทีก็ให้ติดคุกตลอดชีวิตก็มีก็เอามาจากกฎแห่งกรรมนี่ครับกแหงกนี่ได้ภาพชัดชัดเจนเลยครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับแล้วที่เขาบอกกันว่าติดคุกติดนรกอะไรเงี้ยเป็นร้อยร้ยร้อยร้อยเป็นพันพันปีอย่างงี้ก็คือระยะเวลาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยู่ที่กรรมที่เราทํำบาปที่เราทํามันมากมันน้อยแต่จะวันอย่างไงนี้ไม่มีใครไปวันได้เขาก็เป็นประมาณกันหน่อยนะว่ามันมันนานนแต่นานไม่งานบางทีมันถ้ามันทุกข์ปั๊บเนี่ยมันน่าทึ่งระยะสั้นๆก็รู้สึกว่านานใช่ีหย เวลาทุกบร้อนก่าแล้วรู้สึกวมันทรมาแาม์ดแท้ทมารมันนานนหลือเกินแต่เวลาเราสบกนี่เวลารู้สึกมันผ่านไปอย่างรวดเลยว่าแะบยันเวลาเราทุกใจเราทุกเนี้ยเวลามันจะผ่านไปชา้าความรู้สึกยันอั น, นี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รู้ว่ามันนานก็ไม่นานอยู่ที่ทํามากก็ทําน้อยทำมากก็ใช่กรรมมากทำน้อยก็ใช้กรรมน้อย พระอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าเรารู้ทางไปว่าไปอย่างนี้ไปอบายแล้วเราก็ตั้งใจว่าเรายังไงเราก็ไม่ทําแบบนั้นเราก็ปลอดภัยเลยใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์จะเห็นได้อย่างมั่นใจรักษาก็ต้องเป็นพระโสดาบันครัเพราะพระโสดาบันจะเข้าถึงพฤติกรรมของจิตจะเห็นการกระทําของจิตพอคิดเพียงแต่คิดจะทําบาปใจก็ทุกขึ้นมาทันทีถ้าทําบาปไปมันยิ่งทุกข์ใหญ่ ก็ยังไม่กล้าทําแบบาปมีพระโสดาบันพระระยะบุคคลทุกทุกระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้ไนไปนี้จะเห็นการทํางานของกฎแห่งกรรมในจิตใจของตนอย่างชัดเจนเห็นว่าทำบาปต้อใจจะร้อนจากจะทุกข์เวลาทำบุญน้องใจจะเย็นใจจะสบายก็จะไม่มีการลูกคำในสีไม่มีการไม่มีการประพฤต ศีลพัฒะประมานคือจะไม่สงสัยไม่ลังเลยสงสัยว่าศีลนี่มีคุณค่าประโยชน์ต่อจิตใจอย่างไรอไม่พระอริยทุกรูปจงไม่มีการทำบัปรโดยเด็ขาดนอกจากว่าถ้ามันทำโดยไม่มีเจตนาเช่นอุบัติเหตุอย่างับรถไปแล้วสุนัขตัดหน้าเาาชนมันแล้วเดินไปแล้วเหยียบมดที่มันที่มันมันเดินอยู่บนทางแล้วมองไม่เห็นเล มันกไ็ไม่ได้เป็นการกระทำบาลด้วยเจตนาธรรมะวันนี้เป็นประโยชน์กับผมและ เ, เพื่อนๆอย่างยิ่งเลยครับอาจารย์ครับผมอาจารย์มองทำไปยานท่านยัง<ำ>ไม่อยากจะทําบาปอย่างแท้จริงนี้ต้องเป็นตัสอาทิยมคนเพราะจะมันเห็นชัดเลย<ม>เวลาทําบาปนี่มันเหมือนกับเอาอะไรกระทิมแทงใจของเราเองใจเราจะเสียแป๊งขึ้นมาจะทุกขึ้นเลยริถ้ายังไม่เห็นนี่บางที ถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่มันมท้าทายต่อต่อต่ อ, ตอความซื่อสัตย์ของเราบางทีเราอาจจะแพ้มันก็ได้แล้วก็นอาจจะตอบทุกได้ยากต้อมีคนมาบองอ่ามาช่วยทําบาปหน่อยมาช่วยป้นธนาคารไม่ช่วยทําอะไรแล้วคุณก็จะได้เงินมามามแก้ปัญหาของความทุกข์ยากหรือร้อนขุงคุณบางทีเวลาขอเราตอบทุกขึ้นมามันก็จะ ถ้ามันยังไม่เห็นชัดเจนเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของผลบาสนี่มันก็อาจจะอาจจะลืมไปก็ได้เอาขอทำขอแก้ตรงนี้ก่อนขอแก้เป็นฐาเฉพาะหน้าก่อนแต่ถ้าเป็นพระอริยมันจะไม่อยอมตายใีบาปผิดศีลยอมทุกยอมเดือดร้อนน้ำอัตคัดขัดสมยอมอดอยากาขาดแคลนดีกาไปทําบาป กลับกับพระคุณพระอาจารย์ครับมีคําถามนี้พอดีครับอาจารย์ก็เหมือนพระอาจารย์ตอบแล้วอยากถามพระอาจารย์เรื่องนี้เหมือนกันครับว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าเราเข้ากระแสดทำแล้วได้สวดาบันปิดอบัยภูมิแน่นอนครับอาจารย์แน่นอนเห็นรู้ทันทีเวลาทาําบันเวลาเริ่มคิดที่นั้นมันก็รู้ว่ามันทุกข์แล้วไม่สบายใจขึ้นมาแล้วถ้าไปทำมันยิ่งไม่สบายใจนะเพราะมันจะต้องวิตกกังวลจะต้องคอยหลบหนีคอยอะไรต่างๆมีแต่เรื่องทุกข์ ให้กับจิตใจเท่านั้นเมาควรทําก็ต้องไปบางทียอมไปมอบตัวให้กับตาํารวจในเดียวกันมันจะได้ไปรับการมในเดียกันมันจะได้หายทุกข์ไม่หลบหนียิ่งหลบหนีมันยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะมันจะคอยหวาดระแวงเห็นตํารวจเดินมาก็คิดว่าเขาจะมาจับอะไรทั้งที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องของเรามาเลยก็ได้แต่ว่บเดินสวนกันขึ้นมาไม่รู้ใจก็สั่นใจก็เครียดขึ้นมา คนที่เห็นเห็นท่วงแต่งใจชัดเจนอย่างพระอริยมันจะไม่กล้าทําแบ่ได้ไม่คุ้มเสียได้งานได้เท่าได้อะไรมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายเลยมันก็เพียงแต่มาแก้ความหิวโหอมีความเดือดร้อยของทางร่างกายเท่านั้นแต่ไม่ได้มาให้ความสุขก <can> ับใจนะแต่นี่เดียวมีแต่จะให้ายความทุกข์จากคุณเกียรติวุฒิครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเรื่องการสดมน์ กับผมได้ยินเกี่ยวกับบทสวดมนต์ว่าแต่ละบทจะมีพุทธคุณแตกต่างกันบางบทป้องกันตนเองจากสิ่งไม่ดีบางบทสวดแล้วร่ํำรวยกับผมสงสัยว่าจริงอย่างที่กับผมได้ยินหรือไม่ครับหรือว่าเป็นกุศโลบายเพื่อเป็นการนําเข้าสู่สมาธิก่อนการนั่งสมาธิครับที่แท้จริงแล้วคือการควบคุมสติทําสมาธิหรือไม่ครับกับทัส ก, การพรจังครับคือเนิมทีบทชวนนันต์ต่างๆนี่มันเป็นเทศนาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เพสอนพวกเราให้รู้เรื่มเรื่มวิธีการดับทุกข์ต่างๆรู้เรื่มผิดถูก ด, ดีชั่วรู้เรื่มกดแหงกรรมงานต่างๆเป็นคำสอนของพุทธเจ้าตรงนั้นแล้วก็มีการมีการจดจําไว้ในในยุคแรกๆเพราะไม่มีการเขียนหนังสืออ่านหนังสือแต่คนสมัยก่อนสมยัสมยพุทธกาลนี่ไม่มีการศึกษาเหมือนสมยัยนี้เน้นพระธรรมเทศนของพุทธเจ้าเลยต้องมีการจดจําด้วยการท่องจา ของภาพพิสูจที่มันาการท่องจำนี้ก็มีอันิสงหนึ่งก็คือรักษาและทำคำสอนของขพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้เดินหลังไปจากความจำสองก็เป็นอุบายการเจริญสติหรือทำสมาธิเพื่อรัหนดควับคิดที่ไม่ดีที่อยากจะคิดอยากจะไปที่หนืออยากจะไปเสพการอะไรต่างๆเอาเวลามาท่องจำบทพิสูตร์ต่างๆ มันจะมาจากวนล่กลากับท่องไปต่อมาก็บอกธณรมหน้าตาธรรมหน้าสูงอะไรนั่งท่อมามันไปท่องมันไปมาบัวก็ ก, าา ก, ว ก, ก็แบ่งการท่องไปอาจจะก็มีกระสุนมากมากขึ้นก็อาจจะท่องไม่ไหวทุกกระสุนก็แบ่งกันเป็นสายสายไปสายนี้ท่องส่วนนี้นะไปอันนี้เป็นเป็นโดยทั่ทีเป็นการส่วนนี่เป็นการท่องเพื่อเพอจดจําไม่ให้หลงไม่ลืมในคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็ เป็นการฝึกสติไปในตัวฝึกสมาธิภาในตัวตไม่ใช่เป็นสมาธิขั้นขั้นละเอียดขั้นลึกเป็นการทําให้ใจบาใจเยน็นไม่ต้องไปคิดเรื่องหนักอกหนักใจต่างๆเพราะไม่มีโอกาสจะคิดเพราะตะมัวแต่มาคอยเขาทพระสูตรต่างๆส่วนพระสูตรต่างๆนั่นก็มีความหมายถ้าเราเข้าใจความหมายาก็จะ่นเราก็จะได้หเห็นเลยในพระสูตร มงมงคลประสูติมงคลสามสิบแปดนี่ก็เป็นวิธีการเดินจากจากการเป็นปุตุชนไปสู่พระนิพพานนี่เริ่มต้องให้คบคนดีไม่ให้คบคนชั่วนีถูกต้องถ้าเราสวงไปโดยที่เราไม่ได้เข้าใจความเมาก็จะไม่ได้ปัญญาไม่ครเราไา มล้จะเข้าใจไหมที่ใช้สายให้ได้รู้เรา่องเลยได้ยุ่ก็เป็นคนทำจุดที่นส่วนนึงนน้นกี้ได้เสียงที่การเบาลงครับนเสียงที่น่าขำมากที่เป็นท้่การเบาลงมาเยี่ยมมาเยี่ยมาเยี่ยมตัวไห หนึ่งเก้าเลยนะไม่ก็นเก้าเก้าพอดีเนี่ยยังไม่ได้วางเนทั้งคืนยัได้อ่นะยังได้อยู่เดี๋ยวยันสุก็คือการส่วนนี้ไม่มีไม่มีผลชี้ทาให้เราทำนั่ารวยทางนั่มด้วยสรรเสริญสริญารวยก็รวยทางจิตใจรวยด้วยอริยสัพ์รวยด้วยสติรวยด้วยสมาธิรวยด้วยปัญญา คุณนพิสิทธ์ครับบอกว่าภูมิเปรตกับเดชฉานภูมิใดสูงกว่ากันครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาแบ่งชา ง, างิกันยังไงนะก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กล้าจะตอบ ม, มันก็เป็นภูมิที่มีแต่ความทุกข์เลยอาจจะทุกข์มากทุกข์น้อยต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบาป ท, ที่ทามากกว่าแต่ที่ยากเป็นเพราะว่าเหตุที่ทำให้ไปเป็นภูมิตาม่างก็จาอาติสี่ ทัานก็ไม่ได้ยากว่ากติอันไหนสูงกว่าต่ำกวา่าคุณนอนไม่หลับครับบอกว่าเป็นซึมเศร้าทุกใจมากไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกว่ามันว่างเปล่ามากควรทําอย่างไรดีคะเพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราแล้วเราไม่หาไม่สามารถหาความสุขจากภายนอกได้มันก็เลยทําให้เราซึมเศร้าขึ้นฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะผิดหวังในในทางด้าน น่นการมีความสุขจากสิ่งต่างๆอยากมีนั่นก็ไม่มีอยากได้นั่นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ทั้งอย่างมันก็มีแต่ความรู้สึกอ้างม้างเปล่าเปลี่ยวแล้วก็ในใจของตัวเองก็ไม่มีความสุขในตัวเองก็เลยทําให้ซึมเศร้าบางทีจงกับอยากฆ่าตัวตายมาวิธีแก้ก็คือถ้าเรา เราเห็นว่าการหาความสุขจากสิ่งภายนาในนี่มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากว่าไม่แน่นอนก็มาหาความสุขภายในดีกว่าในการสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาทําใจให้สงบให้ได้พอใจสงบแล้วใจจะมีความสุขแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกเหงาไม่มีความสึก ว, ว่าเหวแล้จะเห็นว่าชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเราจะได้เอาเวลาของชีวิตนี้มาสร้างความสุขภายในใจ ให้มีมากขึ้นไปจนถึงความสุขขั้นสูงสุดต่อไปได้คุณมรรคปฏิปทาครับสาธุขออนุญาตฝากคำถามเรียนถามพระอาจารย์ครับทำไมการเป็นพระโสดาบันถึงสามารถปิดอบายได้ครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ได้ตอบไปแล้วนะเพราะพระโสดาบันเห็นผลที่เกิด ข, ขึ้นกับจิตใจของตนในเลาทำบาปมันจะทำให้จิตใจทุกขึ้นมา จิตใจที่ทุกเวลาตายไปก็เป็นอบายให้มานั่นเองคุณพีโ ก, โกครับเรียนถามการเจริญสติในชีวิตประจําวันให้เป็นธรรมชาติควรเป็นอย่างไรครับกลับกบกุฎครั บ, ร บ, ค, ค, รบควรคว ร, ควรเข้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็รให้ใจทําไปกับร่างกายดูเฝ้าดูการกระทำนั้นเหมือนกับร่างกายเป็นนักโทษเนี แล้วใจเป็นพวกควบคุมนักโทษพวกควบคุมนักโทษถ้าไม่ต้องการให้นักโทษนี้ก็ต้องคอยเฝ้าดูตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกันการที่จ ะ, จะเจริญสติก็คือเราควบคุมคอยเฝ้าดูร่างกายบังคับให้ใจดูร่างกายการบังคับให้ใจดูร่างกายเลยเป็นการห้ามไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าไปคิดถึงเรื่องอื่นก็แสดงว่าไม่ได้ดูร่างกาย เค่นร่างกายกําลังน้ำอยู่แต่เราไปคิดแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปกินอรไรดีไ ป, ปกไข่ดีที่ไหนอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราปล่อยให้ใจหนีไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของเราคือเราต้องการหยุดคิดนั่นเองเพราะการหยุดคิดนี้จะทําให้ใจสงบทําให้ใจมีความสมุขคุณนัชชาครับศาสตราจารยพระอาจารย์ค่ะ จะขึ้นบ้านใหม่ต้องหาเลิกงามยามดีไหมคะเพราะคุณแม่ท่านมีความเชื่อว่าต้องมีเพราะกลัวว่าถ้าย้ายเข้าอยู่แล้วจะไม่มีความสุขและจะใช้ท ร, รมาข้อใดและตอบควาถามนี้กับคุณแม่ดีคะกล่าวสาธุค่ะท่านศาสนาเราถือเลิกสะดกถ้าบ้านมันเสร็จเรียบร้อยน้ำไฟมีคร้อมแล้วอยู่เข้าไปอยู่ได้นนได้กินได้ก็อันนั้นเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราจะอยู่แล้วก็มีความสุข ถ้าบ้านยังไม่พร้อมไฟยังไม่มีเราย้ายเข้าไปอยู่ถึงแม้เริ่มเกียรตมันก็ไม่สุดเพราะขาดน้ำขาดไฟอยู่อยู่ได้ไหมยังาให้ดูความสะดวกความพร้อมเพียงของของสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสดความสุขให้กับเราถ้าทุกอย่างพร้อม้ว เ, เข้าไปได้เลยคุณสมพรครับ การที่โยมีความ ส, CAP, oh. ส um, no. ุขมีความสงบอันเนื่องมาจากการสวดมนต์ทําวัดเย็นนั่งสมาธิหลังสวดมนต์อย่างนี้คืออนิสงส์ที่ได้รับใช่ไหมครับรู้สึกจิตใจมีสมาธิภาวนาเป็นมากขึ้นยึดบทสวดมนต์ที่ประทับใจมาภาวนาบทที่โยมประทับใจอย่างนี้ก็สามารถบริกรรมแทนพุทโธได้เหมือนกันใช่ไหมครับน้อมกัลปขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับก็ได้ก็ได้อนิสงส์ไหนก็ได้เฉพาะตอนที่เราสวดเท่านั้นเองแล้วก็ยังไม่ได้ ไ ม, ไม่ได้ขระดเป็นกรอบเป็นกำก็ยังไม่ลงไม่เลิกยังไม่เข้าถึงความสง บ, บที่เต็มที่แล้ก็ถือว่าเริ่มเริ่มเริ่มในสัมผัสกับผลที่เกิดจากการเจริญสติด้วยการสวดมนต์ทำวัดยันนั่งสมาธิก็ควรจะทําทต่อไปมันต้องไปถึงจุดที่มันจิตมันโยมเต็มที่แล้วทําให้เราเกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ใจขึ้นมา อันนั้นถึงจะเรียกว่าได้เห็นผลแบบเต็มเต็มร้อยแต่เป็นชั่วขณะเดียวใหม่ๆมันจะได้แบบรับเดียวคือแบบนกกระจอะกินน้ำแต่ผลมันจะประทับใจมากเราเรียกว่าคณิกะสมาธิคุณเปียนันครับมีคำถามค่ะเวลาเดินจงกรมถ้ากำหนดพุดโทโธจิตชอบออกนอกค่ะ แต่ถ้านับเก้าจิตจะรวมได้ดีค่ะทําแบบนี้จะได้ไหมคะกลับกับปัจจุบันได้ถ้าพุตรไม่ได้ใช้ไม่ไม่ได้ก็ใช้การนับเก้าดูเก้าก็ได้คุณวิทลินครับถ้าคนเรามีความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้แล้วจะโดนไปตกในอบายภูมิไหมครับตอนความคิดเฉยๆยังไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นผลต่อยังไม่เป็นกรรม เต็มที่จะเป็นกรรมก็ตามเมื่อเราพูดไปกระทําไปด้วยถึงจะเป็นอกุศ ล, ลกรรมขึ้นมาเพยงตะเคียนก็เป็นเพียงแต่เป็นการรีดเริ่มถ้าเรารู้ว่าเป็นอกุศ ล, ลเราหยุดด้านแล้วมันก็มันก็ผ่านไปจะไม่มีผลตา่างถ้าผลก็ผลเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ดีเวลาว่าคิดไปในทางที่ไม่ดีแต่พอเราหยุดคิดตั๊บมันก็หมดไปแต่ถ้าเราไปพูดไปกระทํามันนี่มันจะต่อครั้ง เป็นวิบากขึ้นมาในใจต่อไปคุณน้องหลินครับสอบถามพระอาจารย์ก่อนหนูจะมาผ่าสมองในปัจจุบันหนูเคยรถควาสิ่งที่หนูสัมผัสหนูคิดว่าเป็นโยมาบาลเจ้าค่ะแต่คำถามที่เจอเคยทำความดีอะไรมาหนูตอบไม่ได้จาไม่ได้ว่าเคยทำความดีอะไรมาเพียงแต่ท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาตายให้รู้ไว้มีชีวิตอยู่สร้างความดีภาวนาสมาธิเจ้าค่ะ ถึงจะได้มาตอบคาถามได้สิ่งที่หนูเห็นเป็นจินตนาการของหนูใหม่เจ้าคะเพราะก่อนหนูจะเกิดอุบัติเหตุหนูไม่เชื่อลนลกสวรรค์มีจริงคะ่ะได้มันเป็ น, เ ป, นเป็นการปรุงแต่งของจิตชั่วนื้องของจิตเองเพราะตัวโยมาบาลในนี้ไม่มีคุณเปียพงศ์ครับขอฝากคาถามครับกับเรียนถามพระอาจารย์ผมสงสัยว่าพระไตรปิฎกกับพุธทธวจนะแตกต่างกันอย่างไรครับ อันเดียวกันเนอะพระไตรปิฎกก็เป็นที่บรรจุของพุทธวจนะนั่นเองเพราว่าพระไตรปิฎกกันชื่อของที่เก็บของคำภี์ทั้งหมดของคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดแบ่งเป็นสามปิฎกนีแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่หญๆสุตตคือพระสูรตรต่างๆนี่ก็อยู่ในสุตตปิฎกพระธรรมวินัยของภิกษุภิกษุณีก็อยู่ในอยู่ในวินัยปิฎกแล้วก็คําสอนที่เอามารวมรวม เป็นทฤษฎีคือไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ ต, ต่างๆไม่เกี่ยวกับว่าเวลาสถานที่ของของการแสดงธรรมเหล่านี้แต่มารวบรวมเป็นหัวข้อต่างๆก็เรียกว่าอภิธรรมปีหลบอันนี้ก็เป็นพุทธวจนะทั้งนั้นเพียงแต่ว่าผู้ที่มารวบรวมมาเก็บรักษานี้ยเขาเริ่มในการจัดให้ใหเก็บให้เป็นหมวดหมู่ยุคแรกๆนี้มันก็มีแต่ท่องจัำกันท่องจำกัน แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาเก็บส่วนไหนไว้ส่วนไหนไม่มีการทำอย่างนั้นท่ามันไปทามันไปต่อมาก็อาจจะมีการพัฒนาในการในการจับเก็บให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการค้นหานั่นเะแก็เลยแ บ, บ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆถ้าอยากจะรู้เรื่องกับพวินายของสงก็ไปดูวินัยปิดกนะมีสินสอง้ยี่เจ็ดก็มีสินส0 0กว่าข้อของภิกษุณีน ก็จะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรเรื่องสิน ต, ต่างๆว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมีเหตุการณ์ที่ทำให้พระเจ้าต้องกำหนดข้อสินน้ำนี้ขึ้นมาข้อวินัยแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะอยู่ในอยู่ในอยู่ในวินยัยเปโตกส่วนสุดตระเปิตร ก, ก็คือพระสุดที่พระเจ้าทรงสแสดงตามวาระต่างๆที่ส่งไปพิจารณ์ไปสถานที่ต่างๆาาาก็มีคนมาทำธรรมบ้างมีคนมาฐานปัญหามัม่ง ก็มีกพระพุทธเจ้าบระดับไว้เพรา ะ, าา ส, าระส่วนนี้จะแสดงบอกสถานทีแ่และเหตุการณ์ที่ผู้ฟังว่าเป็นใครเป็นคํธรรมจักกับวัฒนสูตรก็คืิสอแสดงว่าแสดงอยู่ที่ป่าอิติปัสนะอะไ ร, ะระ น, รนี้ลแล้วก็มีพระรปัญจวัคคีห้ารูปเป็นผู้บมาฝากหนังจากฟังธรรมแล้วก็มีพระหนึ่งรูปบรรลุเป็นพระสงดาวันขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของพระสงฆจะมีการเล่าเหตุการณ์ประกอบกับ กับคำสอนด้วยส่วนพระพิธรรมนี่เขาต้องการที่จะที่จะคล้ายๆว่าเอาเอาแต่คำสอนที่เป็นเนื้อเนอเป็นธรรมะล้วนๆโดยที่ไม่เอาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็จะจัดเป็นหมวด่ว่ามัก8ปดอริยสัจสี่อะไรทำนองนี้ก็จะอยู่ในพระพิพระพิธรรมปิดก พระไตรปิฎกก็คือที่เก็กบของพุทธวจนะพุทธวจนะก็คือคําพูดของพุทธเจ้าพุทธพจน์วจนะก็มาจากคำแปลว่าพจน์พุทธวจนะก็เป็นพุทธพจน์ดีๆ น, นี่ก็เป็นคำพูดของพุทธเจ้าที่มีจัดเก็บไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรนี้ก็เป็นสามไตรแปลว่าสามปิฎกก็คือหมวดหมู่สามหมวดหมู่นี่กันผาว่าคงจะเข้าใจ ค, ค, ค, คุณปันทิพย์ครับคุณปันทิพย์ครับบอกว่าไปใส่บาตรโดยไม่ได้ไปใส่เองทําได้ใช่ไหมคะได้แต่ว่าเราก็จะไม่ได้ส่วนส่วนส่วนที่เราต้องใช้วิริยะคือความเพียหรหน้าขี้เกียจ น, นี้เราก็จะไม่ได้เจริญวิริยะบาลมีได้แต่ทานบาลมีแต่ถ้าเราไปใส่เองด้วยเราก็จะได้ทานบา ร, มรบารมีด้วยได้วิริยะบาลามีด้วย คุณคู่บัวครับการน้อมสักการพระอาจารย์ข่นหนูอยากทราบว่าถ้าเราทําบุญถวายทานแล้วเราอุทิศบุญที่เราได้ทํานั้นให้คุณบิดามารดาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้รับบุญนั้นด้วยไหมเจ้าคะไม่ได้หรอเพราะว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เขาสามารถอ่าทําบุญน้อง เ, เองได้มากกว่าที่จะมารวมรับส่วนคุณอุทิศนี้สําหรับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วนั่นก็เป็นส่วนน้อย ถ้าอยากจะให้พ่อแม่ได้บุญก็เชวญพ่อแม่เราทำบุญด้วยกันจะดีกว่าพ่อแม่จะได้บุญเยอะกว่าหรือเอาเองินที่เราอยากจะให้พ่อแม่ทาบุญนี้ให้ให้พ่อแม่ไปแต่ห้ามบอกพ่อแม่ว่าให้เอาไปทำบุญเพ ร, ราะถ้าบอกก็เท่ากับใช้พ่อแม่ให้ไปทำบุญให้กับเราว่าเป็นเจตนาของเราและเป็นงินของเราแต่เราให้พ่อแม่เพราะเรารักเคารพพ่อแม่ พ่อแม่วันนี้หนูอยากจะทําบุญกับพ่อกับแม่ก็เลยให้เงินพ่อแม่ไปก้อนอย่างนี้อันนี้โดยที่ไม่ไปพูดว่าจะให้พ่อแม่ไปทําอะไรเทว่าเป็นเงินของพ่อแม่ส่วนพ่อแม่จะเอาไปทําบุญแต่แม่นี่เป็นเรื่องของพ่อแม่จะต้องมีจิตสํานึกของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่บอกเอ้ผมีเงินเหลือเอาไปทําบุญดีกว่าทีพ่อแม่ก็จะได้บุญได้บุญเยอะกว่าบุญที่นิดน้อยๆเลย แต่ถ้าพ่าแม่ยังโลคอยู่ยังเสียดายเงินอยู่ไม่ชอบทําบุญก็จะไม่ได้ทําบุญอยู่ดีก็จะเอากันไปซื้อไปกินไปดื่มไม่ทาอะไรหรือไปเก็บสะสมไว้เผื่อวันข้างหน้าก็จะไม่ได้ทําบุญการจะทําบุญให้เกิดผลกับทุกผู้กระทำนี้ต้องเกิดจากหนึ่งเจตนามีความตั้งใจที่จะทำสองต้องมีการเสียสละของที่ตนเองทาถ้าเป็นของคนอื่นนี่จะ ตอนไหนจะไม่ได้บุญจะเป็นเหมือนคนโตแทนไปทําให้พูดอื้นองนี้เช่นนั่งลูกบอกว่าพราะให้เงินพ่อแม่แล้วบอกพ่อแม่ไปทําบุญนะอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ได้บุญเลยถ้าเราไปทำเพราะเราใช้พ่อแม่แล้วก็เป็นเงินของเราแต่ถ้าเราให้เงินพ่อแม่แล้วบอกแล้วแต่พ่อแม่จะไปทําะไรอันนี้ถ้าพ่อแม่คิดจะอาไปทําบุญพ่อแม่ก็จะได้ที่ไม่กี่วันก่อนมีอากงจุนนะครับอาจารย์ ทำบุญให้ลามาเทือกพอดี900ล้านบาทได้ยินข่าวท้กําลังดังกําลังอยู่ในกระแสอยู่นั่นแหละคนที่เขาเชื่อบุญแล้วก็เห็นผลของการทำบุญว่ามีผลต่อใายต่อจิตใจของเขาอย่างเงินยี่ล้านที่เขาีในใจนี่มันทําให้ใจเขาร้อนใครทําให้ใจเขาวิตกกังวลว่าผูตายันแล้วใครจะไปทําอะไรว่างแล้วว่าอยู่นี่มันจะหายไป ห, หรือไม่หาย แต่ว่าไปทำบุญแล้วโอ้ยด่องออกสบายใจสุกใจก็มีความสุขว่าเงินก้อนนี้ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกตรงเยอะยะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งคนไข้คนป่ยวยอะไรต่าง ๆ, ๆมันทำแล้วมีความสุขใจเพราะถึงไม่รู้จะเก็บเงินตอนนี้ไว้ทํำไมเขาก็ไม่ได้ที่ว่าเขาจะมาล่ารวยเขาก็ยากจนมาใช่ไหมเห็นไหมเขาต้องทํามากินอดีตโชคดีเป็นทําของขายของมีขายดิบขายดี กลยได้ายได้มามากกว่าแต่สําหรับตักเขาเขาก็ต้างการแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองแล้วถ้าถ้าเขาเคยอยู่แบบยากจนมาแล้วรับประกันแล้ว่าเขาจะไม่อยู่แบบนี้อีล้วถึงแม้เขาจะมีเงินทองมากมายเท่าไหร่เขาก็ยังติมทิสัยของการอยู่แบบยากจนเพราะเขาเห็นคุณประโยชน์ของการอยู่แบบสมถะเรื่องง่ายเพราะมันมีผลดีต่อจิตใจคือเมื่อไม่มากดดันให้จิตใจจต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมามากเกินไป งั้นเงินเท่าไม่จะเหลือเยอะเมื่อเหลือเยอะเขาก็แล้วไปทําบุญแต่คนที่ไม่เคยผ่านความทุกข์ยากมาก่อนถ้าเกิดกองเงินทำเท่านี้จะใช้เงินผายเงินจะใช้เจ้าของหรูหราของแพงซื้อรถ20ล้านทันละ20ล้านซื้อคอนโด100ล้านเงิน900ล้านนี่ไม่พอใช่หรืกเชื่อไหมถ้าหราพอที่ถูกเรียกดูมาบากบังบิบบับบิบบับกองเงินกองเงินเงินจะถึนิสัย ใจมันจะกำเริบ ม, มันเริบ ก, การใช้เงินพวกนี้ยังไม่มีวันที่จะได้ทำเงินขนาดนี้หรอเชื่อไหมเชื่อครับอา่ารย์แต่คนที่ยากจนนี้พอมันรวยนี่มักจะทำบุญเยอะเพราะก็ไม่เคยมีเงินขนาดนี้นะครับไม่จำเป็นขนาดนี้ไปชื่ออะไรแล้ ว, วเวลาไปทำบุญแบบทำบุญจะ ม, มีความสุขมากที่สุดสําหรับเขา อันนี้คอได้แปลเยภพแบบเต็มๆเลยใช่ไหมครับใช่ด้าทานบาลมีเป็นเหมืนรรอนพระเวจสาเนิรเลยตายไปอาจจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าถ้ายัางไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็จะกลับมาเกิดเป็นเศรษฐีแล้วอาจจะได้พบกับพระพุทธเจ้ า, าจจเรื่อาจจะเป็นเป็นโพธิสัตว์เดงก็ได้อาจะไปถ้าไม่มีในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นเหมือนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะป่าบวัวแล้วก็ค้นหาทางหมดคเองหรือว่าถ้า ถ้าเป็นถ้ามีพระพุทธศาสนาก็จะเป็นเหมือนพวกเศรษฐีอย่างนังวิสาขาอะไรทำนองนี้ที่มาบวชแล้วมาเจอพระพุทธศาสนาเข า, าก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวนเล็ได้ได้คุณกำมลรถครับกาเปียนถามอาจารย์ถ้าเราทําบุญด้วยการโอนเงินเข้าให้วัดอันนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับบุญนี้สามารถอุทิศให้ผู้ล่งลับไปแล้วได้หรือไม่ครับได้เหมือนกัน โอนเงินห้ือเอาเงินไ้วันก็ผลก็เท่ากันวันก็ได้นั้นได้รับเงินจำนวนเดียวกันยุคนี้สมัยนี้มีเครื่องอานวยความสะดวในการทำบุญแล้วทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาเดินทางไปมาโอนไปเลยจบไม่ต้องขนเงิน9ก0ารยล้านส่ายรถกระบไปแค่ <laughs> เขียนเช็คใบเดียวใช่ คุณดัมพินยูเอ็ครับการเตือนถามอาจารย์ครับว่าการที่ลูกทําจิตให้อ่อนโยนสวดมนต์ฟังธรรมทําความเข้าใจในหลักธรรมเพื่อให้มีวิชาลดตันหาอุปาทานและเจริญสมถาวิปัสสนาเกือบทุกวันและแผ่กุศลผลบุญให้แม่ผู้ยังมีชีวิตอยู่อ๋ออันนี้มันเดิกไปครับแม่จะได้บุญไหมผู้มีชีวิตอยู่นี้ไม่ได้ต้องให้เขาทําุญเยจะได้มากกว่าเพราะบุญที่อุทิศไปนี้เป็นส่วนน้อยมากจริงจริงแต่เราเป็น เราไปคิว่าเป็นบุญเยอะแยะเคยได้ยินมาว่าบุญอที่นี้เป็นเหมือนกับเศษน้ําที่ติดอยู่ในแก้วเพราะว่าเราเทน้ําเทนในแก้วเทน้ําในแก้วที่เงน้ำเดือด น, น้ําในแก้วหมดแล้วมันก็ยังมีเศษเศษน้ําติดอยู่บ้างเนี่ยอันนั้นแหละคือความในปริ ม, มาณของบุญที่เราอุทิศไปไม่ได้อุทิศน้ําทั้งแก้วนะเพียงนต่อุทิศเศษน้ําที่ติดอยู่ในแก้ว แต่ก็ยังดีสำหรับผู้ที่หิวโหยอย่างน้ยเอาลิ้นมาเลียน้นําินหนักก็ยังรู้สึกสดชื่นอยูา่างอย่าไปว่าอย่าไปอย่าไปเห็นความสําคัญยิ่งใหญ่ของบุญอุทิศเลยมันเป็นมันเป็นส่วนน้อยมากแล้วก็ไม่ทําบุญทำพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าไม่เน้นให้เรื่องทำเรื่องบุญอุทิให้ทําบุญให้กับตัวเองตอนนี้ก่อนตายเี่ยคนที่ทําบุญเนี่ยจะได้บุญที่เป็นน้ําทั้งแก้ว ส่บุญที่อยู่ที่ก็คือ น, น้ำที่เมลือยู่ในแก้วนิดหน่อยครับ้เราจะเอาส่วนไหนดีเราจะรอให้ไปเป็นเปรต ก, ก่อนแล้วมารอรับส่วนบุญที่เข้าออที่แท้เราหรือว่าเราจะเอาน้ําทั้งแก้วเอาบุญทั้งแก้วไปกับเราด้วยการทําบุญของเราเองในขณะนี้ถ้าเรามีบุญแบบน้ําทั้งแก้วติดตัวไปแล้วก็ไปเป็นเทวดากันไม่ต้องไปเป็นเ ป, นเปรตกัน คุณปุญญาชาครับน้องกราบนัำศการพระอาจารย์ครับขอถามว่านอกจากการทำทานแล้วถ้านั่งสมาธิจิตรวมสงบนิ่งก็สามารถแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณต่างๆได้เช่นกันใช่ไหมครับนตามทฤษฎีก็น่าจะได้แต่หลักปฏิบัตินี้มันไม่ใช่ของง่ายจิตรวมนี้แต่ขนาดพระบางทีต้องบวชเป็นสิบปียี่สิบปีก่าจิตจะโยก็มีงั้นไม่ใช่เป็นของง่าย พองค์เจ้าถึงไม่ได้สอนให้แผ่กุศลด้วยการนั่งสมาธิกันมันเป็นเหมือนกับฟาสต์ฟู้ดกับอาหารในมิชลินห้าดาวเนี่ยจกินอาหารมิชลินนี่ต้องไปสั่งร่งหน้าไว้ก่อนนะคอนเนต์เตรียมการเตรียมงานต้องใช้เวลามากแต่ถ้าฟาสต์ฟู้ดไปที่แมกโดนัลล์ไป KFC ซไปถึงปุ๊บสั่งปุ๊บก็ได้ทันทีอันนี้ก็เหมือนกันทานนี้ก็เป็นเหมือนฟาสต์ฟู้ดเป็นบุญแบบฟาสต์ฟู้ด พอทำปุ๊บก็ได้ปั๊บอุทิศได้ทันทีเลยแต่ถ้าบุญที่เกิดจากนั่งสมาธิโอไม่รู้เนี่ยทุกคนที่ฟังนี่มีใครมาบอกว่าได้จิตดวมั่งหรยังฉะ น, นอย่าไปหวังเรื่องอุทิศบุญจากการนั่งสมาธิเลยยากยากมาก คุณกมลรถครับกาบเรียนถามอาจารย์เวลานั่งสมาธิเกิดอาการคันหรือยุ่งมากัดหรือมะแรงวันมากวนเราควรวางจิตไว้ตรงไหนดีครับวางไว้ตรงที่เราเราใช้ดูเราใช้ลมเราก็อยู่วางไว้กับลมต่อไปเราใช้พุโทโธแล้วก็วางจิตไว้อยู่กับพุโทโธอยา่าไปอยู่กับความคันยิ่งวางที่ความคันมันยิ่งคันใหญ่เดีย๋ยวจะทนไม่ไหวนะถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมเราไม่ไม่สนใจความคัน ดีวความคัน ม, มันก็หายไปเองคุณประรัตครับกรับมาสการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าคนทําผิดติดอบายามุกมีบทลงโทษในอบายภูมิอย่างไรครับ อ, อ่าติดอบายามุกเนี่ยังไม่เป็นบาปเนียแมันจะทําให้ไปทําบาปง่ายเช่นดื่มชูกาลน้ำเมาเนี่ก็จะไปทะเลาะ ว, วิวาแต่ทําร้ายร่างกายคนอื่นนั่นถึงกับท่ามันได้ คนที่ไม่มีสตินะมีทาวอยูทบทุกวันอย่างเนี้ขนาดคนที่รัด ก, กันสามีภรรยากันยังค่ากันได้เลยเวลามาสุราหรือมาวิบากเนี่ยมันถ้าพอพูดพอภรรยาพูดขัดใจหน่อยก็ความีดคว้าปืนเอามายิงเลยอันนี้ผลที่เกิจดจากความมึเนเมาแล้วพอทําเสร็จก็ไม่รู้สึกเลยว่าทําไปแล้วบางที่ตํารวจมาจับก็ยังไม่รู้ว่าทำํำมาผิดไปกนี้นี่คือนี่คือผลเสียของอภัยมุก มันจะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายนี่คือเรื่องของสุราเรื่องของการเล่นการพ น, นันมันก็จะทำให้เราสูญเสียเงินทองไม่ช้าก็เลยต้องหมดเนื้อหมดตัวจากการพนันเพราะว่าเวลาเราได้เราก็อยากจะเล่นต่อช้าใจคิดว่าเราเก่งพอเราเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่อไม่มีวันหยุดเล่นจนท่านเล่นจนไม่มีเงนินเล่นก็ขายซื้อสมบัติขายบ้านขายชอ่องขายที่ดินขายหมด มันหมดแลทีนี้ยังอยากจะเล่นเอาคืนก็ไปกู้นี่ยืนซื้อไปหลับรวมคนนั้นคนนี้ทํามาปนั้งเล่นหรื่อย ไ, ไปรักขโมยชอบโกงหาเงินมาเพื่อจะมาเล่นการเงานต่เนี่ยอาวัยมุ่งมันยัเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นการการการดูดทรัพยากรเงินทองเราให้หมดไปอาวัยมุ่งนี้ไม่ได้เสริมรายง ไ, งได้นะ ม, มีแต่มีแต่ดึงดูดเ ง, งินที่เรามี เมื่อเมื่ เ, มเงินมันหมดแล้วเราก็ไม่มีวิธีที่จะหาะไรายได้โดยวิธีสุดจีบิ้เมื่อเราไม่ไปทํางานกันถ้าเราเสียระบ า, ายอย่างรูปแบบแบบเต็มที่นะคนที่ไเล่นการพนันนี่เขาก็าจะเอาอาชีพการพนันในคนที่ชอบเที่ยวก็จะใช้การเที่ยวเป็นอาชีพไปเขาก็าจะไม่มีอาชีพหาเงินหาทองพอเงินทองหมดเขาก็าจะต้องไปหาทองโดยหาเงินหาทองในวิธีทุกจริตนั่น อย่าไปยุ่งกับวายัางงูกันดีที่สุดคุณซันชัยเดชครับพอฝากคาถามค่ะมีญาติแบบไม่ค่อยดีนะักเขาเห็นแก่ตัวกับเราทําให้มีเรื่องขัดแย้งกันจนเราต้องตัดสินใจเลิกเกี่ยวข้องกับเขาปัจจุบันพยายามทําใจให้โอสิกรรมให้อภัยกับเขาแต่ก็มีบ้างที่ยังรู้สึกน้อยใจอดคิดถึงสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราโดยปัจจุบันลูกก็หลีกเลี่ยงการต้องเจอกับเขาไม่อยากคบกับเขาอีก พรถ้าเจอกันคงไม่สบายใจลูกอยากขอหมดเวรหมดกรรมกับเขาไม่อยากจองเวรกันอีกลูกตัดสินใจเช่นนี้ถูกต้องไหมคะขอพระอาจารย์ชี้แ น, นะด้วยค่ะถูกต้องแล้วล่ถ้าเราไม่ได้ไปตอบโต้เขาไม่ได้ไปทำร้ายเขาเราก็ไม่ได้ไปสร้างเวรสร้านกลับให้กับเขาให้กับเขาแต่ถ้าเราไปตอบโต้เราไปทำร้ายเขาไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะจองเวรกับเขา คุณปุ้ยครับกราบนกการัศกรขับพระอาจารย์วันนี้ขอโอกาสถามเรื่องความทรงจำต่อพระพุทธเจ้าและคำสอนเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเรายังจัดจำพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนได้ไหมคะหรือว่ารบชาติคือการรีเซ็ตนึกถึงคำสอนไม่ได้อีกคะคำสอนที่เราได้จากการปฏิบัตินี้มันจะฝังอยู่ในใจในคำสอนที่เราจดจานี้มันจะลมเพราะมันเป็นสัญญา ส่วนคำสอนที่ได้จากการปฏิบัตินี่มันจะเป็นปัญญามันจะไม่ลืมใ น, นอะไรที่เราเรียนรู้ด้วยจากการปฏิบัตินี่เราจะไม่นลืมเช่นเรามือไปแตะความไฟ น, อ น, น, อนี่มันร้อนเราจะไม่ลืมเหมือนเราจะจําปจนวันตายอะไรอย่างเง้ยว่าไฟมันร้อนเราจะไม่กล้าไปแตะไฟอย่างแ น, นเลยอนนี้เกิดจากการปฏิบัตินแต่ถ้าเกิดจากการจำแม่บอกว่าไฟมันร้อนอย่าไปแตะนะเดีราก็ลืมได้ นั้นมันอยู่ที่ว่ามันเกิดจากการปฏิบัติหรือเกิดจากการจําถ้าจำงงทไีไม่ไม่เอามาจดมาจํามันก็ลืมได้สิ่งต่างๆที่เราเคยรู้เนี่ยอย่างวิาวชาของคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอไม่มาทบทวนอยู่เรื่อยๆมันก็ลืมได้ไดแต่ถ้าเป็นวิแ ต, แต่ถ้าเป็นปัญญาที่เกิดจากปร ะ, ส, ประสบะการณ์นี้มันจะไม่ลืมเพราะมันเป็นปัญญาครนีนความรู้ที่เกิดจากประสบะการณ์มักจะไม่ลืม ส่วนคามรู้ที่เกิดจากความจํานี่มันดึงแน่ๆคุณอีฟครับกาเบรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการฝึกวสีความชํานาญในสมาธิคารวาสสามารถฝึกได้ไหม่เจ้าค่ะใครก็ฝึกได้ทั้งนั้นถ้ารู้จักวิธีอันนี้หมายถึงกระสินนีน่ไหมวสีนี่แปลว่าอะไสีวสีน่าจะแปลว่าความชํานาญนะครับอาจารย์ไม่ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ าการฝึกสินมังไม่ว่าสีเพาสีนี่เป็นสีหนึ่งสีที่เราเขาใช้ในการใช้เป็ น, เ ป, นเป็นองค์ภาวนาแทนการดูลมมางทีเขาก็ใช้สีแดงสีเขียวสีขาวนี่ด้วยการนึกนึกถึงสีเหล่านี้ในใจหลับตาแล้วก็ให้สีนี้ปรากฏขึ้นมาในจอภาพใใจอันนี้ถ้าที่จะดูลมรัถ้าจะทำนี้ได้จิตจะต้องมีสติมากพอสมควรนะที่จะระลึกถึงสี ต่างๆให้มันตั้งอยู่ในมโนภาพของเราได้ใหะมันยากยากกับการดูลมยากกับการบริการมผุดโทดแต่ถ้าเกิดเราอาจจะมีประสบการณ์มาในอดีตชาติถ้าเราเราชำนาญในทางนี้ก็ใช้ได้มันก็เป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานที่พอใช้เป็นอารมง์ทำใจให้สงบได้ คุณกมลรถครับการเรียนถามพระอาจารย์บางครั้งก็ดื่มสุราแต่เมาแล้วก็ยังชอบฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแบบนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างครับก็ฟังแล้มันรู้เรื่องมะัะเข้าใจหรือปะถ้ามันไม่เมามากมันถ้าเมาแล้วมันก็ยังฟังได้ก็เก่งถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ถือว่าเก่งเมาแล้วยังรู้เรื่องอันนี้เราก็ต้นคุณต้องดูตัวของคุณเองผลก็คือคนฟังแล้วคุณเข้าใจหรือปะ ควารเิตัดสงบด้อยปากคุณอีฟครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์เพ um> uh> şey> um> ื่อนร่วมงานผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้วหลังเวลาเลิกงานก็มักจะทักเฟซมาคุยกับเราบ่อยๆเคยบอกว่าเราจะคุยเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นแต่ก็ยังทักมาคุยเรื่องอื่นอยู่เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะก็อย่าไปอ่านเขาเลยเขาสอบมาแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปตอบกรปล่อยมันข้างไว้อย่างนั้น ถ้าเราไปตอบเขาไปว่แสดงควาใจเราลึกๆก็กกยังอยากจะมีอะไรกับเขาอยู่ถ้าเราไม่สนใจก็ลบไปเลยใครส่งข้อความมาก็ดีลิตไปเลยจบครับที่เขาบอกชักสะพานเสียใช่ไหมครมับอาจารย์เออที่ผมชักสะพานเสียตัดไฟเสียแต่ต้นลงมง่ายๆตัดไฟเสียแต่ต้นลมอย่าอ้อยอิงอย่าอ้อยองแเดี๋ยวไฟมันจะลุกรามเป็นไ ฟ, ปไฟ์ป่าขึ้นมาไฟใหญ่โตขึ้นมาได้ คุณเอครับทุกวันนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าตายแล้วศูนย์บาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีจึงไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปทําบาปครับก็ต้องให้ฟังครับพ่อแม่มีการสอนคำสอนตั้งแต่เด็กไงพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเมื่อพ่อแม่ไม่เชื่อพ่อแม่ก็ไม่สอนลูกลูกก็เลยไม่เชื่อตามพ่อแม่คุณน้องหลินครับกาศทาุ หนูมีลูกเลยตั้งใจสร้างบุญบา ร, รมีตัเด็กและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นหนูคิดถูกไหมเจ้าคะเพราะตอนหนูเป็นเด็กเป็นแม่ค้าช่วยครอบช่วยครอบครัวค้าขายคะ่ะขายปลาดุกฆ่าปลาคะ่ะทุกหัวปลาปาดท้องปล า, ปลาตัดหางปลาหนูเจอหมดเหมือนปลาคะ่ะพ่าตัดตั้งแต่เท้าถึงสมองเหมือนปลาเลยจึงให้ลูกรักษาศีลห้าคะา่ะดีแล้วนะเราเป็นพ่อแม่เราต้องสอนเรื่องบาบุญคุณโทษให้กันโลกๆแล้วต้องทำเป็นตัวอย่างด้วย ไม่ใช่สอนแต่ปากแต่การกระทำนี้ไม่ได้เป็นปลายามที่เราสอนแบบโบราณที่ท่านว่าบอว่าแม่ปูสอนลูกปูอยากสอนลูกว้เดินตรงๆแล้วตัวแม่ก็เดินเฉยไปเฉยมายังไม่พูดไปจบขอไปด้วย คุณ Y11 อครับกาบหลวงพ่อครับผมดูจิตผมเองว่าเป็นแบบไหนสีลห้าผมขาดอยู่หนึ่งข้อผิดข้อสามครับแตม่ม่เคยไปคิดผิดลูกเมียใครแต่พอเราก่ะขึ้นมาแล้วคิดจะทิ้งขว้างแล้วแบบไหนผิดมากกว่ากันครับมันก็ผิดนะมากกว่าน้อยกว่ามันอยู่ที่ทำมากกันทำน้อย คุณชอบประกาครับ ก, การมาพิธสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราโอนเงินไปทําบุญแบบปิดทองหลังกระเจ้าของบัญชีเขาไม่รู้ว่าเราโอนไปเราจะได้บุญไหมคะได้ได้เป็นการเรี่ยวความมากจึไม่รู้ก็ได้บาทีโอนบัญชีเข้าวัดไปก็ได้เงิบุญที่อะไรก็ได้ทางเข้าวัดของอย่าสมมองว่าเป็นใครแต่บางทีก็าจะมีการสอบฐานทางธนาคารได้มสมัยนี้พรมีเลขบัญชีมีแบบแจ้งอยู่ แต่าทางเราถ้าเราไม่ต้องการให้เขารุ่ก็ไม่เป็นตำหนิติดทางน้าพระไม่ประสงค์จะออกงาคุณแพทครับการเรียนถามค่ะการตกกระทะทองแดงและการปีนต้นนิ้วเพราะผิดศีลไม่มีจริงหรือคะมันเป็นภาพเปรียบเทียบให้ฟังเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราว่นมันเป็นเหมือนกับปีนปีนต้นนิ้วนะมีแต่มีต่ น, น, น้ำท่วมน้ําที่มีทางตลอด ตัวตะหนอนเหมือ น, นอตกกระทะทองแรงที่ร้อนอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเพียงแต่เอาภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นคนโ บ, บราณเขาไม่รูจะทําังไงให้เราเห็นว่าเวลามันทุกมันทุกแบบไหนไงเขาก็เลยต้องเอาภาพเอาตัวอย่างมา demonstrate มาสาธิตมาสาธิตให้ให้รู้ว่าเนี่ยเวลามันทุกข์ว่าทำแบ น, นี้มันเป็นอย่างเงี้ยเหมัอนปีนต้นนิ้มเหมือนตกน้ำมนเหมือนตกกระทะทองแรง คุณคำมีครับการนมหการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อก่อนลูกเป็นคนขี้โกรธอาฆาตแต่เมื่อได้ฟังธรรมและปฏิบัติเจริญเมตตาความโกรธลดลงกลัวบาปกลัวอาบายถ้าลูกถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดเท่าที่จะทําได้จะพ้นอาบายได้หรือไม่เจ้าคะก็พ้นได้ถ้ามันบางของเรามันน้อยกว่าบุญแต่เรายังอาจจะไม่สามารถที่จะ รักษาศีลห้าได้ตลอดเหมือนกับพระอริยะเพราะถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเช่นเราลุกจาโทสะลุกการมลลุกพระขึ้นมาเราก็า จ, จะหักห้ามจิตใจไม่ให้เราทำบากได้ดยกเว้นว่าถ้าเราเป็นพระอริยะนี่เราจะสามารถควบคุมโลภะโทสะของเราได้ที่จะไม่ให้มันบานปลายถึงกับที่จะบังคับให้เราไปทำบากต่อไป ยงเป็นผู้ดชมอยู่นี้บางทีมันจะ ม, มีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันมาเหตุการณ์วิกฤตต่างๆบางทีเราต้องคิดแร ก, แรกท้องเรากับท้องของคนอื่นอย่างเนี้ใครจะเอาใครก่อนเงนี้บางทีเราก็ต้องคิดถึงตัวเราก่อนจะคิดถึงลูกเราเนี่ยแม่บางคนนี้ไม่เคยคิดว่าจะไปรักขโมยนมให้ลูกแต่าตบางทีตกทุกข์ได้ยางลูกมันร้องหิวนม หนาก็สงสารลูกไม่รู้จะทํำไงตัวเองก็ไม่มีเงิน ซ, ซื้อซื้อนมก็เราไปขโมยนมในร้านขายของอันนี้มันคนเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะตกอยู่ในสภาพนั้นเมื่อไหร่ตอนนี้เราอาจจะอยู่กินสุขสบายมีเงินทองพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทําบ่อไม่ต้องไปลักขโมยแตวันดีคืนดีถ้าเกิดเราไปตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อบระาดาตัวขึ้นมาเราคิดว่าเรายังสามารถรักษาสินได้หรือเปล่ นนีพูดให้ฟังว่าถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่ถ้าอยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ที่มันนั่นแค้นี้ก็คิดว่ายากต่อการที่จะรักษาสี่งได้แต่ถ้าเป็นพาะรีอญบุคคล น, นี้รับประกันได้ว่าไม่ว่าจะเหตุการณ์ถึงขั้นเป็นขั้มตายท่านก็จะรักษาได้ คุณ โ, โ, โยโยครับกล่าวสอบถามพระอาจารย์ครับชาวป่าชาวเขาที่ไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมย่อมต้องเวียนไหวยอยู่ในอบายหรือเปล่าครับก็ไม่แน่ชาวป่าชาวเขาที่มีศีลก็ทำก็มีเพราะทำมากินด้วยการปลูกข้าวปลูกอะไรเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือถ้าเขาจะกินเนื้อสัตว์ก็ว่าจะไปซื้อหรือไปแลกเอาข้า ว, าวคนที่เขาไปตกปลานี่แล้วก็อาปาที่ตายนะได้กอบลาที่ตายก็ได้ บาคนที่เขาไม่ชอบทำบาปซึ่งอาจจะเป็นอุปนิสัยของแต่ละคนที่เคยได้ฝะสระสมกันมาในอดีตชาติถราชานี้มาเกิดเป็นชาวป่าชาวเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีศีลนัตถสมบูรณ์ใช่การเขาอาจจะเป็นคนใจบุญสซึทานอยู่แล้วแล้วก็มน เ, ามาเกิดเป็นชาวป่าชาวเขาเขาว่ายังมีนิสัยนี้ติดมาขเขา คุณเจษฎากรครับกาเปียนถามอาจารย์ครับมีผู้กล่าวว่าบาปอยู่กับคนทํากรรมอยู่กับคนกินคํากล่าวนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับคือบาปก็คือการกระท่าสัตว์เช่นฆ่า่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าใเนี่ยคนทําบาปแน่ๆกรรมก็แปลว่าการกระทําคนกินก็ทำํำคำว่าการกินนี่ไม่บาปเนะี่ยคำว่ากรรมนี่เป็นคํนกากลางๆกรรมแปลว่าการกระทําทําบุญ ก็เรียกว่าทำบาปทำบาป ท, ทำบุญนี่ก็เป็นบุญเป็นบาปแต่ถ้าทำทำดีทำชั่วนี่ทำดีก็เป็นบุญทำชั่วก็เป็นบาปคําว่ากรรมนี่เป็ น, ก, นการการแปลว่าการกระทำนั้นคนกินก็มีการกระทําการกินก็เป็นการกระทําอย่างหนึ่งใช่ไหมนั้นกรรมก็อยู่กับคนกินแต่แต่บาปอยู่ที่คนฆ่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถึงที่เราเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของงานเขาไปฆ่าสัตว์มามาทำอาหารขายเนี่ยเรากินเราไม่บาปเราไม่มีไม่มีวิบาก ค, ครับผู้ที่มีวิบากก็คือผู้ฆ่าผู้กระทํำบาปคุณวดีครับเรียนถามค่ะการโอนเงินทําบุญต้องอธิษฐานไหมคะเอามาอธิษฐานก่อนทําอธิษฐานนี่มันมาก่อนการกระทํามันยังไง แต่เราเข้าเราไม่เข้าใจคําว่าอาธิฐานแปลว่าอย่างไรคําว่าอทิฐานก็คือความคิดที่จะทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าทิฐาน่คิดจ ะ, ะโอนเงินให้กับวัดนี้เรียกว่าอาธิฐานนะแต่เราไปคิดว่าอาธิฐานคือการเป็นการขอขอนน่นขอนี่ทําบุญเสร็จแล้วเราต้องอธิฐานขออานิสงส์ผลบุญไม่ต้องขอหรอกทำอะไรแนละ้วผลมันก็เป็นอัตโนมัติทันทีทําบุญมันก็ได้อานิสงส์ของบุญทันทีไม่ต้องมาขอ เป็นอนอธิษฐานแต่นอาอธิษฐานนี่แปลว่าการตั้งใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นบุญไม่ได้หรือบาปก็ได้ตั้งใจจะไปกินเหล้ากับเพื่อนนี่ก็เป็นอธิษฐานอย่างหนึ่งนะคร<ช>ับตัง้งใจจะไปทำบุญพรุ่งนี้ที่วัดก็เป็นอธิษฐานอีกอย่างนึงคําว่าอธิษฐานแปลว่าการตั้งใจที่จะทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรรมใดกรรมหนึ่งเท่านั้นเองคือคําว่าอธิษฐานยังไม่ว่าเราจะทําอะไร ก่อนที่เราจะทำเนื่องต้องคิดก่อนใช่ไหมคือแบบวันอย่างวันตอนนี้เราต้องคิดว่าวันนี้เราจะมาพังเทศกันตอนตอนนี้อันนี้การอธิฐานแล้วควาําว่าอธิฐานแปล ว, ว่าความตั้งใจที่จะทําอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็อาจจะไม่มาพังตอนนี้ก็ได้น่ า, า จ, จะมีเพื่อนมาชวนให้ไปทํานู่นทนํานี่หรือมีใครโทรศัพท์เข้ามาชวนคุยรด้วยเรากอาจจะคุยกับเขาเพลินไปเราก็ไม่มาสนใจที่จะมาพัง รายการนี้แต่ถ้าเราตั้งใจตั้งใจจะทําแล้วพอ ถ, ถึงเวลาเราก็มาแล้วมางทีใครโทรมาก็าบอกขอขออภัยตอนนี้ไม่สะดวกนะติดตามฟังอะไรเพราะเรามีความตั้งใจนี่ก่อนอยากจะแน่วแน่หรือไม่แน่วน่ก็อยู่ที่สัจจ์ของเราถ้าเราไม่มีสัจจ์เราก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ถ้ามีอะไรที่ดีกว่ามอที่คิดว่าดีมีประโยชน์กับเราเราอาจจะเปลี่ยนใจไม่ไม่มาฟังมาได้มีเพื่อนมาชวนให้ไปดูหนันงฟังเพลงไปเที่ยว ก็จะไปกับท่านดีกว่านี่แสดงว่าเราไม่มีสัจจะเรามีความตั้งใจแล้วแต่เราล้มเพราะเราไม่มีสัจจะแน่วแน่จากความตั้งใจของเราความตั้งใจกับสัจจะนี้มักจะไปด้วยกันสัจจะอธิษฐานมักจะไปคู่กันกะะ็จะได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจจะทําจะได้สําเร็จได้ถ้าไม่มีสัจจะนี่โลเลพลังใจโลเลสองจิตสองใจ พอถึงเวลาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรมันเร่งให้ไปทำอย่างนั้นนวนี่คือคำของอธิษฐานแต่ทางโลกนี้เราไปว่าอธิษฐานว่าเป็นการวนมาขอขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำนะขออธิษฐานขอให้ไปนิพพานให้สามีรักเราให้ภรรยารักเราซื่อสัตว์กับเราอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ขอไปกระท่านนั้นนั้นมันไม่ได้หรอก พราะการกระทําของเราไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เขาซื่อสัตย์กับเราหรือรักเราอันนี่ทาให้เขารักเราซื่อสัตย์กับเราเราต้องซื่อสัตย์กับเขาแล้วเราต้องรักเขาก็อน้าเรารักเขา our, เราซื่อสัตย์ตกับเขาเขาอาจจะตอบตอบสนองกับของการความซื่อสัตย์ของความรักของเราก็ได้เรื่ออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เราก็ต้องอยอมรับ ว, ว่าบางทีใจของคนเราไปเปลี่ยนเ ข, ขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่รักเราเขาเป็นแต่เซยแซงเราเราตอนที่ อยากจะได้เราไปเป็นคู่ของเขาแล้วก็ได้เราไปแล้วก็ จ, จะมีธาตุแท้ของเขาออกมาก็ได้ืลอเขาไม่รักเราก็าไม่ซื่อสัตว์กับเราก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจิตคุณซินนามอนครับมีวิธีฝึกจิตหรือกำหนดจิตเพื่อที่จะไปดูนรกไหมครับก็มีสติเนีน่าจะเห็นเวลาใจเราโปรดเนี่ยมันเป็นนรกขึ้นมาทันที ไมลัเครียดแค้นใครคาดพยาบามกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีเรามองไม่เห็นใจเราว่าอยู่ในนรกตอนนั้นเราไปคิดถึ ง, งเรื่องราวของคนที่ทําให้เราโกรธกันแล้วคิดถึงวิธีที่จะไปร้านแค้นมันก็เลยทําให้เราเมหรือ ม, มองและตัวที่กําลังอยู่ในนรกในนรกขนาดนั้นก็คือใจของเร า, าถ้าเรามีสติเราจะรู้ทันทีเวลาใจเราเป็นอะไรขึ้นมาใ จ, ใจเย็นใจร้จะรู้ทันทีจะเห็นทันที คุณบิวครับพระโสดาบันยังมีความกลัวอยู่ไหมครับเช่นความกลัวผีเรื่องความกลัวผีอันนี้คงม่จะไม่มีแนละ้วความกลัวตายอะไพวกนี้ไม่มีความกลัเจ็บนี้จะไม่มีคุณวันธนีครับการที่คนทําผิดสามารถชดใช้กรรมในชาตินี้ได้หรือไม่เช่นคนที่เคยทําร้ายคนอื่นภายหลังถูกคนทําร้ายถือว่าได้ใช้กรรมนี้ไปแล้วหรือยังคะตายไปแล้วยังต้องรับกรรมนี้อีกหรือไม่คะ ก็มันมีสองส่วนเนอะการที่เราต้องไปใช้คือบาปที่เราทํานี่มันก็จะต้องไปใช้ส่วนเวรที่คนเขาจองเวรเรานี่ก็อาจจะหมดได้แต่เขาได้มาจองเวรจองกรรมาแล้วแต่บานี่เป็นอีกส่ว น, นคือความร้อนใจนี่มันยังจะอยู่ต่อไปในใจเาคุณกฤษณพจนครับ เจ้ากรรมในเวรมีจริงหรือไม่ครับหากมีจริงจะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรและเราสามารถติดเลี่ยงผลนั้นได้อย่างไรครับก็คนที่เรามีเรื่องอน่ะเนี่คือเจ้ากรรมในเวรนะคนที่เราทะเลาะกันเรามีมีปัญหาต่อกันต่อสู้กันนะี่คือเจ้ากรรมในเวรมนะันมันจะทำให้ชีวิตเราวุ่นวายถ้ามีคนที่มาคอยราวีคอยมาหาเรื่องเรา แล้วเราก็ไปตอบโต้รับมันไม่งทาให้มันเยอะๆไปไม่ไม่มีสิ้นสุดอย่างที่เขาพูดว่าน้ําพึ่งหยดเดียวเนี่ยพอเขาว่าเราเราก็เลยไปหยาดเ้าพอเขาหนาบังระดาษเขาก็เลยมาตีเราพอเขามาตีเราเราก็ไปฆ่าเขาพอฆ่าเขาย่าพี่น้องเข า, ากขาขขา็จมาตากฆ่าเรนีกมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดเนี่คยคือเจ้ากรรมนายเมฆของกันและกัน เราก็เป็นเจ้าอรรนายเวรของเขาเขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราคู่กรณีแต่ถ้าเรายุติเราไม่ ต, ตอบโต้ให้เขาทําอะไรเราเราก็ให้อภัยไปก็เหมือนกับตบมือข้างเดียวไม่ดังครับคุณศสิธรครับก่าพระอาจารย์ครับใส่บาตรหน้าบ้านให้แม่โมทนาก่อนไปใส่แม่มีอายุเก้าสิบกว่าแล้วแม่จะได้บุญเหมือนใส่เองหรือเปล่าคะ ก็ต้องเป็นขออางของแม่ต้องเป็นความเจตนาความตั้งใจของแม่วมาจะทําบุญเนีน่ยถึงจะได้บุถ้าเป็นเงินของเราเราเราเราทําเองทุกอย่างแล้วเพียแต่บอกให้แม่มามามาตัดนี่ก็เหมือนใช้แม่ทําบุญให้เราน่าจะไม่ได้บุญเลยนอกจากบุที่กิดจากการรับใช้ผู้อืน คุณพี่เล็กครับอยากสอบถามค่ะบทสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนควรจะสวดบทไหนคะถึงจะถูกต้องบทไหนก็ได้ที่เราชอบนะสวดได้ทุกบทคุณกมลรัตน์ครับกระดาษรูปพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแล้วควรทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมครับก็เที่งไปเลยดีกว่าดีกว่าเอาไปทําเป็นกระดาษห่อของบ้างหรือที่งในทางขยะบ้างมันดูแล้วมันไม่มันไม่สวยงาม ทุบเผาให้มันหายซ า, ากไปเลยดีกว่าหรือว่าพุทธรูปที่มันเอแข็งขายบ้างจะมุกแหว่งบ้างก็เอาไปทุบให้มันกลายเป็นเศษปูนเศษดินอะไปเลย ด, ดีกว่าหรือก็เอาไปกองไว้ตามตามโคนต้นไม้ต่างๆดูว่ามันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความควาบเลยเอา ข, ของที่สูงไปเองแค่กลายเป็นกองขยะไปเพราะกลัวกลัวว่าไปทุบทําลายของศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เป็นบาปหรอก มันเป็นวิธีกาจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วมันเป็นขยะคุณนัทพลครับกลับยนถามป้าจารย์ครับป้าจานบอกว่านรกในที่นี้ไม่ใช่สถานที่เป็นเหมือนเรานอนหลับฝันดีฝันร้ายแล้วไม่ตื่นแล้วที่ว่ามีท่านโยมบาลที่คอยตัดสินกรรมที่ละเอียดที่เราจําไม่ได้ตามบัญชีบัต บ, บุญเหมือนในหนังนรกแต่ละขุมหรือท้าเวสุวรรณน่าจะเป็นยังไงครับขอโอกาสอาจารย์อธิบายครับ มันเป็นนิยายไงนิยายก็แต่งขึ้นมาเองเนี่ยเป็นผลถ้าเราไปดูหนังดูนิยายมากๆเราจะถูกหลอกเราไม่รู้สึกตัวเพราะมันก็บอกแลาวเป็นหนังเป็นนินยายความจริงเขาต้องเขียนว่าเหตุการณ์ที่ท่านเห็นในขณะนี้ในในภาพยนตร์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องจิตจินตนาการของผู้สร้างเขามไม่เขียนบอกก็เลยทําทให้คนของเชื่อเป็นของจริงนี่ อขามีต้องมีกฎหมายนยะบางคับให้บอกเขามีเนะนี่ยอันนี้บางหนังภาพยนตร์บางแห่งที่เขาก่อนจะก่อนที่เ้าจะฉายเขาจะมีข้อความาสั้นๆบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์นี้เป็นเป็นเรื่องนิยายทั้งนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดคนหนึ่งอาจจะเป็นการบังเองิญทั้นั้นถ้าถ้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไปครับถ้าไปค้ายเหมือนกับบุคคลนั้นคนนี้แต่เป็นเรื่องนิยายทั้งนั้นไม่งั้นเี๋จะถูกฟ้องร้องน่าย หมายว่าเราไปไปยิ่งถ้วันนี้มีกฎหมายคอมพิวเตอร์ขึ้นมาราชนใช่ไหเนี่ยพูดพาพิงในคนหัวเนี่ยก็โดนได้นะเนี่ยโดนฟ้องได้ต้องร ะ, ละวังนะคุณหมอ น, นึ่ใช่ครับอาจารย์มากกลัวมากเลยครับศึกษาอยู่รึเปล่ากฎหมายข้อนี้กฎหมายใหม่เนี่ออยครับต้องต้องก็คืออย่าพาพิงใครมากครับอ า, าจารย์อย่าไปเอ่ยชื่ออย่าไปพูดถึงเขาเลยอย่างเี้ย อยากไปพูดถึงภาพถีงในบุคคลที่สามครับคุณมีนารับกาบมรดสการค่ะพระอาจาร์อ่านเจอบันทึกคุณแม่เขียนไว้ว่าวันหนึ่งตื่นเช้าจะลืมตาตื่นแต่ลืมตาไม่ขึ้นเพราะใจสงบดิ่งลึกไม่มีตัวตนมีแต่ความเงียบมีความสุขสงบมากผ่านไปกี่นาทีไม่รู้สุดท้ายก็ลืมตาขึ้นมาได้เป็นความทรงจาที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา รบวนกลับเรียนถามว่าสภาวะที่คุณแม่เขียนนี้คือการที่จิตตกผวังเข้าสมาธิหรือเปล่าคะกอบครับพระครูใช่ตอนนั้นคือแม่อยู่ในปนาอยู่ในสมาธิจิตสงบจิตแยกกับช้วง่างกายชื่วงค่ะจึงหนึ่งตามไม่ได้เป็นไปเองเลยแหละครับอาจารย์ครับเป็นไปเองได้เลยก็อาจ<ช>จะอาศัยไปนาำที่สองที่อาจจะได้ไว่าพระสวนมนต์อะไรมาเป็นประจําแล้วพอวันดีคืนดีมัน คล้ายๆว่ามันตกเฉลยขึ้นมานะมันก็แสดงผลขึ้นมาได้คุณบิกกี้ครับถ้าตอนบวชพระผิดสังฆาธิเศษแล้วไม่ได้แก้ต้องทํำยังไงครับแล้วถ้าแก้แล้ววิบากกรรมจะหมดไหมครับอันนี้ไปถามพระอุปชาเลยครับพราะพระที่จะบวชไห้ว่าจะต้องทํำยังไงเราไม่ได้เป็นพระอุปชาเราไม่ได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ ถ้าไม่กล้าตอบเยวตอบไม่ถูกว่ะจะาทำให้่อยไขยได้ไปไปถามพระอุปชาผู้บวชพระให้บอกว่าพาระเจ้าเคยทำสังการพิเศษมายังวนหมายได้หรือเปล่าเราจะต้องทำอย่างไรต้องแก้อย่างไรตงถาน คุณคิกเกอร์ครับการเรียนถามพู้อาจารย์ครับคำกล่าวที่ว่าจํานวนชาติที่เรามาเกิดนั้นเท่ากับน้ําตาที่เราหลังห่งในทุกๆชาติรวมกันแล้วเท่าน้ําในมหาสมุทรคากล่าวนี้เป็นจริงๆหรือเป็นกุโสโลบายเปรียบเทียบว่าคนเราเกิดมาจํานวนชาตินับไม่ถ้วนครับก็นั่นแหละมันก็เปรียบเทียบหมายควม่ามันมากจนเท่าน้ําม่ถ่วงถ้าอยากจะรู้ว่ามากขนาดไหนก็คิดถึงน้ําตาที่เราหลั่งแตละพบแต่ละชาติเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเลย คุณมาสเตอร์ครับกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาลูกไปบวชชีพราหมณ์ชอบฝันเห็นท่านพญาโยมเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะจินเราชอบทรุงแต่งเรืามเรื่องราเหานั้นอ่คุณรุงครับเรียนถามพระอาจารย์ครับเมื่อตายไปคนและสัตว์เมื่อตายไปเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันหรือเป็นดวงวิญญาณคนดวงวิญญาณสัตว์คะ เราเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันมีความรู้สึกไม่ขึ้นเหมือนกันตอนนั้นดวงวิญญาตจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นสัรหรืเป็นอะไรคุณสำซุงครับดิฉันกาเรียนถามค่ะคนทีร่รักษาบริจาคทานรักษาศีลแต่ชอบเล่นหวยตายไปจะตกอบายไหม่เจ้าคะหวยนี่นเป็นการบระดัลเงินเงินไม่เป็นการกระทบเรางั้นปีนถาไปอยู่ปา ก, ป, ากประตูก็อบาย น, นั่นเอง เพราะว่าอบายามุขก็แปลว่ามุขก็แปลว่าทวารทักเข้าอบายอบายามุขก็คือไปยืนอยู่ใกล้ๆนะถ้าเผลอก็อาจจะถูกจะทำบาปปุ๊บก็เข้าปั๊บเลยเพรคนที่เสดอ บ, บายามุขนี้จะทํำบาปง่ายกว่าคนที่ไม่เสดอ บ, บายา่างนั่นคุณเอครับการนมัสการคามีพี่สาป่วยติดเตียงเส้นเลือดสมองแตกขณะทํางานขยับตัวไม่ได้ควรเปิดธรรมะอะไรดีคะ ก็ทางคน่วยวก็อยากจะฟังอะไรนี่้เขฟังเรื่อสิ่งที่อยากจะฟังคุณสเน็กสน็กบอลลงครับพระอาจารย์คะ่ะญาติฝากซื้อรอกตกปลาเราก็รับปากเขาไปไม่ทันคิดพอซื้อมาแล้วนึกขึ้นได้ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องมือไปทำร้ายชีวิตอื่นแต่เราก็รับปากเขาไปแล้วเลยว่าจำใจส่งให้พิบากมันเยอะไหมคะ S 1> <S 1> ไม่เยอะหรอะเพราะเราเพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนการทําบาปของผู้อื่ น, ป น, นปไปแค่นี้ช่วยส่งเสริมให้ผูดไปอบายก็ง่งยๆช่วยส่งเสริมให้เพื่อนเราไปอาบายให้คิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปซื้อมาให้เข า, าเราก็จะไม่ได้ไปอาบายง่งายๆอาจะต้องไปซื้อของเขาเองก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าก็ยังอยากจะไปซื้อก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าก็อยากจะไปอาบายก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่เราจะไม่มีไม่อยากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมช่วยผลักให้เข้าไปอบ า, ายคุณโพคินครับขอคำแนะนำจังหวะการภาวนาพุทโธต้องถี่ขนาดไหนครับได้ช้าเรือก็ได้แ ล, แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับสภาพเวลาของจิตใจเราเมี่จิตใจเรามันขี้เกียจกาจจะท่องให้มันได้ไหมไม่ได้ปลุ ก, ป ล, กปลุกพลังให้มันขยันขึ้นมาเมื่ถ้าเวลามันมั น, มน มั น, ม, นมันเครียดมากมันมันแล้แต่บางทีคิดว่ามันสบายอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นการะดับพูดยังไงถ้าทํางเรวแล้วสบายก็เอาอย่างนั้นถ้าท่องเร็แล้วไปสบายก็เรงมาท่องช้ า, ชาดูอะไรอาจารย์ข้อกาดข้อสุดท้ายครับคุณกายเน่าครับข้อากาดเรียนถามครับจิตเหลือแต่ผู้รู้เป็นอุเบกขากับกายกับจิตแยกส่วน เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับและเป็นความสงบในขั้นอัปนาสมาธิใช่ไหมครับได้เวลาจิตเป็นอเบคาเกี่ยกับทิ่ขยแยากกันออกชั่วงราวถ้าถ้าถ้าอยู่ในความสงบนานกขาเรียกอัปนาสมาธิถ้าอยู่แค่ชั่วแป๊บเรียวก็เรียกว่าคณิกาสมาธิพระอาจารย์เมื่อวานผมได้ฟังนักวิทยาศาสตร์เขาคุยกันทางสมองครับอาจารย์เขาบอกว่าตัวจิต กับสมองเนี่ยมันจิตมันเหมือนมันอยู่ในสมองครับแต่ผมฟังแล้วผมก็ก็ก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้ภาวนาจนเขาไม่ได้แยกกายกับจิตออกมาได้ผมก็ใจนี้ถูกใั่ไหมครับใช่เขาก็คิดแบบคิดไปตามจินตนาการของ เ, าเําเขาไม่มีอะไรมามนสอดสนิทความจิตอันนี้เขาตัวจิตมันไม่มีรูปร่างหน้ า, นาตาไม่มีใครสามารถจับตัวจิตมันได้นอกจากผู้ภาวนาเทนั้นถึงจะเห็นตัวจิตชั้ตอนเอึ่งได้ เราก็ไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะจิตมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมีแต่ความรูม้ค ว, ความคิดที่เราจะได้เห็นชัดเจนเวลามันสง บ, อบโอ้ในเพื่อนๆฟังธรรมกันเยอะเลยครับอาจารย์วันนี้ใน Facebook มี918คนครับใน YouTube 831คนในขับเฮาส์27คนวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกัน 1,776 เจบคน ค, นครับท่านครับมีนาเป็นพ่อโหข้าที่คจะมาตั้งกันหรือเปล่ากล <l ug> ัวบาปกันหรือเปล่าถ้ากลัว ก, ก็ดีแสดงว่ามีเฮริโอตปะมีความอายในการกระทำบาปมีความกลัวของผลของบาป ท, ที่จะตามมาคนที่ยังไม่ไปบาปต้องมีเฮริโอตปะ <l ug> โอเคการแสดงสําหรับวันนี้ก็ที่พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านยินดีนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟัง ปพิจิพิ จ, ญญจรณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอสาธุก็นาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพายเพงคั้นี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้งขงขงขงของก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเดิมอาทิตย์หน้ า, นาเวนดาเนะารัเขอบคุณกลับขอบคุณพระคุณอาจารย์ครับ